ท่านพระเทราชุนเถราเพื่อนสหาธรร ม, มิกทุกทุกขขอเจริญพรท่านผู้ในการโรงพยาบาลศศิในแพทย์สนึกอารัางเทียนทรรมรงและท่านผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่านวันนี้เรามาให้ความ สนใจในเรื่องผู้สูงวัยผู้สูงอายุในการประชุมครั้งนี้ก็เนื่องจากว่าสังคมไทยกำลังย่างเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย จะมีประชากรผู้สูงวัยที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยมีอัตราส่วนของประชากรสูง ข, ขึ้นเขานับตั้งแต่ 20% ของประชากรไปในประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีใต้รวมถึงที่ไต้หวัน พระผู้ใหญ่เขาก็จะพาไปดูสถานที่ที่เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่องค์กรทางศาสนาได้ตั้งขึ้นมาในวัดที่ไต้หวันจะมีเหมือนกับศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ทางวัดสร้างอาคารให้ทางกระทรวงสาธารณสุขจัดแพทย์พยาบาลมาดูแลและให้งบประมาณด้วยพระ เ, เป็นผู้ควบคุมเหมือนกับเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณก็ผ่านมาที่วัดในญี่ปุ่น ดูแลไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยแม้กระทั่งในโรงพยาบาลก็เปิดตึกเปิดอาคารที่ดูที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแยกต่างหากดูแลไม่ใช่เฉพาะทางร่างกายดูแลจิตใจด้วยทั้งย่านที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเหตุนี้ <c oughs> ที่มหาวิทยาลัย <c oughs> มหาวิทยาลัยสง ม, มหาจุฬังก่อนราชเทวีจึงได้เปิดสาขาระดับปริญญาโท <c oughs> ที่มุ่งให้ดูแลจิตใจของผู้ป่วยรักษาทั้งกายรักษาทั้งใจเปิดมาเกือบสิบปีแล้ว นึกว่าพระจะมาเรียนกันเยอะเอาข้อจริงคาวา่าไปสมัครเรียนมากกว่าจบมาหลายรุ่นปริญญาโทโดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลชื่อปริญญาโทในสาขาวิชาชีวิตและขวัญตายตอนแรกไม่นึกว่าคาวา่าจะไปเรียนนะ แต่กลายเ ป, เป็นว่าเป็นที่นิยมไม่ใช่เรียนแล้วไปเตรียมไปสู่ภราโลกเนี่ยแต่เพื่อดูแลคนคนไข้ด้วยธรรมะการดูแลทั้งกายและใจก็คือการรักษาคนเป็นองรวมซึ่งก็เป็นเรื่องของ ทัศน ะ, ะของแพทย์พยาบาลในปัจจุบันเราไม่ใช่ดูแลเฉพาะร่างกายเท่านั้นกลับบาที่สังคมไทยซึ่งทางมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุได้ประกาศเมื่อปีสองปีมาแล้วว่า สังคมไทยใกล้ย่างเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุคาดว่าในปีนี้แต่ก็อาจจะยังไม่ถึงหนึ่งในห้าของประชากรก็จะอายุ60ปีขึ้นไปและจะมากกว่าประชากรเด็กในอาเซียนมีสิงคโปร์เท่านั้นที่เป็นสังคมผู้สูงวัย เพราะว่ามีอัตราส่วนตามที่เขากำหนดไว้ถ้าดูว่าในอาเซียนประเทศอื่นเนี่ยยังยังตามประเทศไทยอยู่ยังไม่ถึงสิ่งหนึ่งที่เป็นดัชนีชี้วัดถึงเหตุที่ว่าทำไมสังคมไทยเนี่ยจึงตามสิงคโปร์ไปเป็นสังคมผู้สูงอายุ นอกจากเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยอีกประการหนึ่งก็คือการสาธารณสุขการแพทย์พยาบาลอยู่ในวงการพระาศาสนานี่ก็จะรู้นะพระเทระผู้ใหญ่ประมุขสองที่มาประชุมทั่วโลกนะวิสาขาบูชาโลกซึ่งปีนี้จะ จ, จัดที่ประเทศไทยวันที่ 25-27 ถึงเดือนนี้ ท่านมาแล้วก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยดูแลและท่านก็บอกว่ามาประเทศไทยบ่อยไม่ประเทศไทยก็สิงคโปร์มาใช้บริการทางการแพทย์ซึ่งประเทศไทยก็ประกาศให้เป็นหักในระดับการแพทย์สาธารณสุขของอาเซียนเราจะมาไป เยี่ยมกิจการพระศาสนาที่อียิปต์ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยอันอัสสัมมหาวิทยาลัยใหญ่ของโลกอิสลามมีแพทย์พยาบาลไปเรียนอันนี้หลาย 4-5 หปีมาแล้วมีโดยมีพยาบาลโดยเพาะบุคลากรทางการบริการด้านการแพทย์แม้กระทั่งประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลใหญ่ๆ ใ, ใ, ในประเทศไทยเนี่ยส่งบุคลากรไปเรียน ภาษาไปเรียนภาษาที่อียิปต์ก็ถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเพราะว่าคนไข้จากตะวันออกกลางนิยมมาใช้บริการการแพทย์ที่ประเทศไทยก็ต้องมีแผนกรีเซปชั่นมีด้านนี้อยู่ที่รู้ภาษาของเขา ชื่อเสียงในเรื่องของ <c oughs> สาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในอันดับต้นๆของอาเซียนก็จึงไม่แปลก <c oughs> ที่สังคมไทยกำลังย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการมาพูดเรื่องนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมอีกระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการดูแลด้านจิตใจซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนอกจากเรื่องการแพทย์จะเป็นเหตุให้คนสูงวัยสูงอายุแล้วเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบด้านจิตใจทำไมคนจึงอายุยืนซึ่งเป็นการค้นพบอาจจะโดยไม่ตั้งใจของ มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดเมดิคอลสคูลที่พระบรมราชาชนกไปเรียนจบแพทย์มาที่นั่นเขาตั้งศูนย์ฮาวเวิร์ดสเตตี้ออฟอันดันเดเวลอปเมนต์พัฒนาการของคนวัยวัยผู้ใหญ่ที่มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ด มีเป็นที่กล่าวขวัญกันในปัจจุบันเพราะการค้นพบสิ่งแรกก็คือโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่อายุยืนที่สุดในบรรดาโครงการวิจัยในอเมริกาเขาเริ่มงานวิจัยตั้งแต่ปี2481ก่อนสองครามโลก1ปี อดสงรามโลก3ปีสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็มีการศึกษาต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันปี61เนี่ยโครงการนี้อายุยืนยาวถึง80ปีและก็ลังดาเนินการต่อไปเปลี่ยนผ อ, อหลายคนละ เขาศึกษาอะไรเขาเริ่มที่มหาวิทยาลัยฮาวเวาร์ดโดยเอานักศึกษาปีสองเป็นผู้ชายลว้วนนมาเป็น subject มาเป็นหัวข้อของการศึกษาว่าตั้งแต่เรียนปีสองจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยไปประกอบอาชีพไปทำงานเนี่ยจนกระทั่งเขาตายเนี่ย ชีวิตเขามีการขึ้นขึ้นลงลมีความสุขเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้ล้มเหลวเขาจะศึกษาตรงนี้องค์ประกอบที่ทำให้ชีวิตมีความสุขสุขภาวะกันแล้วกัน Well-being สุขภาวะทั้งทางกายทางจิตใจโดยเลือกนักศึกษา ในปีนั้น2่ะคนและและต่อมาก็เลือกคนหนุ่มในวัยใกล้กันเนี่ยซึ่งอยู่ในเอ่อบริเวณ น, นั้นน่ะแต่ว่าเป็นแหล่งสมัยนู้นมันังเป็นแหล่งสื่อโทรมบ้างมีรายได้ไม่ไม่ดีเรียกว่าค่อนข้างจะจนเลือก456คน แล้วก็ตามศึกษาชีวิตของคนเหล่านี้ทุกสองปีจะไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลว่าเป็นยังไงชีวิตเขาอะและก็ยังสัมภาษณ์ญาติญาติคนใกล้เคียงท่านแต่งงานก็สัมภาษณ์ภรรยาเองหนึ่งในนักศึกษารุ่นนี้ที่ติดตามศึกษาเนี่ยหนึ่งคนได้เป็นประธานาธิบดี ชื่อจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรก็มีผลของการศึกษาสร้างความประหลาดใจตอนแรกเขาคิดว่าความสำเร็จของชีวิตอาจจะมาจาก เรื่องเงินเรื่องฐานะเรื่องอะไรต่างๆในสังคมเขาก็ไปสนใจอ้พวกองค์ประกอบเหล่านี้ไปแต่งงานประสบความสาเร็จในในชีวิตคู่ไหมไปทำงานสำเร็จหรือไม่เป็นอย่างไรผลออกมานะเขาศึกษามาจนกระทั่งอายุของที่เขาศึกษาคนที่เขาศึกษาอายุ 60-70 ปรากฏว่าสิ่งที่คนพบคือไม่ใช่เรื่องของเงินทองไม่ใช่เรื่องเกียร์เรื่องฐานะที่ทำให้คนมีความสุขและอายุยืนยาวเขาบอกว่าเหตุที่ทำให้คนอายุสั้นมาจากโรลิเนส ความว้าวิความเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวใดมันทำมันมันฆ่าชีวิตคนมากพอๆกับสูบบุหรี่และดื่มสุราบางทีมันเป็นปันจจัยถึงกันด้วยพอเงียบเหงาว้าวิเดียวใดก็หันไปหาสุราบุหรี่อะไรกันแล้วแต่ แล้วต่อมาเนี่ยก็ไปศึกไปมันมีมันเวลามันผ่านมาเรื่อยๆก็จะเห็นผู้ที่อายุยืนต่อมาเนี่ยเกือบห0 0คนเนี่ยอย่าลืมว่าไม่ครับไม่ได้ศึกษาเฉพาะคนมาจากตะปูลร่ำรวยในฮาวเวิร์ดอย่างเดียวในอินเนอร์ซิตี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีมีฐานะเท่าไหร่เนี่ยอีกตั้ง4ี่อกว่าคนแล้วมาดูว่าใคร อายุยืนอายุยืนเพราะอะไรเขาสรุปเลยไม่ใช่เพราะยีนไม่ใช่เพราะว่าบารรพบุรุษอายุยืนแต่เพราะความสัมพันธ์ในครอบครัวในในสังคมเขาเน้น t i เ n s h i p relationship, relationship คนที่แถลงคือ อดีตผู้บริการที่ดูแลโครงการนี้สาสิบปีพิมพ์เปหนังสือเรื่อมาความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยสำคัญต้นๆเลยที่ทำให้คนอายุยืนท่านลองคิดดูเขาอธิบายอย่างนี้ทำไมจึงถือว่าเป็นความสัมพันธ์ เขาเขามองไม่ใช่ความสัมพันธ์ในช่วงสูงวัยอย่างเดียวนะในวัยเด็กก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่เขาเรียกว่าความอบอุ่นในครอบครัวมาจากครอบครัวที่อบอุ่นแล้วไปทางานไปแต่งงานก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับในที่ทำงานในครอบครัว สูงวัยขึ้นก็ยังไม่ทิ้งในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมยังทำเหมือนจิตอาสาอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่เฉยๆนะรอวันตายไม่ใช่นะจะออกมาทำงานเพื่อส่วนรวมความสัมพันธ์อันนี้เขาไม่ได้พูดถึงปริมาณเขาบอกหมายถึงคุณภาพเป็นความสัมพันธ์ที่ ผูก พ, พันทางจิตใจในวัยสูงวัยอาจจะไม่ได้รักทุกทกคู่ครองอาจจะตายจากแต่เขายังมีความรักความห่วงใยดูแลหลานเหลนดูแลลูกน้องอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าความพอใจความสุขในชีวิตมันมาจากความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและความสุขนั้น คือความรัก Happiness is love รักไม่ใช่รักทางเพศอย่างเดียวเอ้เพศตรงข้ามอย่างเดียวรักในที่นี้น่าจะหมายถึงความเมตตาความกรุณานั่นแหละมีความเมตตามีความรักความห่วงใยคนอื่นเป็นพื้นฐานนึกถึงในหลวงราชการทีกร่ก่า รักประชาชนงานหนักมากนะแต่ก็อายุยืนตามมาตรฐานโลกเนี่ยและถามว่าในหลวงโปรดอะไรมากที่สุดราชาการที่9คนที่เคยถามปัญหานี้คือหม่อมราชวงศ์เครือฤทธิ์ปราโมชอดีนายกทำตรีหม่อมรครือฤทธิ์บอกว่า ในหลวงรัชกาลที่1โปรดทหารชอบทหารเพราะว่าอยู่ในช่วงศึกสงครามรัชกาลที่สองโปรดกวีอย่างสุนทรภูเ่เป็นที่โปรดปรารัชกาลที่สมโปรดคนสร้างวัดถามว่ารัชกาลที่9โปรดอะไร หมอมครึ่งลิตตอบเองว่าโปรโดพบปักประชาชนพระสงฆ์นี้ก่อนสเสด็จออกเยี่ยมประชาชนทั้งปีในช่วงที่ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปีหนึ่งหนึ่งมีบันทึกสำนักราชรีขาธิการว่าในหลวงสเสด็จเยี่ยมประชาชนปีละสามร้อยถึงหร้อยครั้ง 300ถึง600เนี่ยปีหนึ่งมันมีกี่วันอาจจะวันละสองรังด้วยซ้ำและก็มีความสุขสำราญพระราชชนิษไทยที่จะสนทนากับผู้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าบอกครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยต้องรอเป็นนานมีความสุขนี่คือความสัมพันธ์ที่ทรงห่วงใ่พระสงค์นี้ก่อน มันก็ทำให้นึกถึงนะจากงานวิจัยของฮาวเวิร์ดนักปรวัติศาสตร์ชาวโรมันในสมัยโบราณได้พูดไว้น่าสนใจว่ามิตรภาพเพิ่มความสุขให้คนเราเป็นเท่าตัวเพิ่มมิตรภาพเนี่ยเพิ่มความสุขเป็นสองเท่า ลดความเศร้าเหลือครึ่งเดียวคนที่มีเพื่อนที่มีเมตตากรุณาต่อกันเนี่ยที่ว่าจริงใจนะเพื่อนแท้เนี่ยนะเวลาเขาประสบความสำเร็จได้เลื่อนตำแหน่งได้รางวัลได้อะไรก็ตามทำไมเลี้ยงฉลองเพราะว่าเวลาไมรวมถึงวันเกิดด้วยนะปีใหม่ด้วย เลี้ยงฉลองก็เพื่อให้คนที่เรารักนี่มาร่วมแสดงความยินดีมันจะเพิ่มความสุขเป็นเท่าตัวสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยปู่ย่ายตายายถ้าลูกหลานไปไปเยี่ยมเนี่ยทานอาหารด้วยเนี่ยจะมีความสุขมากในยามเศร้าในยามเจ็มยามจนยามเจ็บยามจาก ยำเจ้งเนี่ยถ้ามีคนรู้ใจเข้าใจมารับฟังความทุกข์แม้กระทั่งในงานศพมาร่วมงานศพของคนรักที่จากไปมันจะลดความเศร้าอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยต่อสู้กับปัญหาต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยมีคนมาเยี่ยมในโรงพยาบาลเนี่ยคนไข้ฟื้นเร็วเลยใจ ถ้ามานอนอยู่คนเดียวรอคาวามตายมันก็จะตายเร็วกำลังใจใช่ั้ยอยู่เพื่ออะไรนึกถึงสมเด็จย่าอาจะมาไปถวายพระธรรมเทศนางานสมเด็จย่าทีพพพพ่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปเทศในงานของท่านเพราะเทศจบในหลวงราชการที่เก้าเนี่ยมาประเขนกันเทศก็บังเอิญว่าในวันนั้นอ ะ, ะอาตมาเทศเรื่องธรรมะที่ทำให้คนอายุยืนในหลวงก็ตรัสว่าอิทธิบาทสี่เนี่ย ที่ทันเทศทำให้คนอายุยืนจริงๆสมเด็จย่าตอนประชวนหนักอยู่ที่สิริราชไม่ยอมเสวยแพทย์พยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เนี่ยก็มาตาบทูนในหลวงว่าสมเด็จย่าไม่เสวยให้ในหลวงไปช่วยพูดหน่อย ในหลวงราชการที่๙ ก, ก็ไปถามสต็นยากว่าทำไมไม่เซเวยสดนีนยากก็บอกไม่อยากมีชีวิตอยู่อยู่แล้วมันเป็นภาระของคนอื่นโดยเฉพาะแพทย์พยาบาลเวลามาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยทั้ง ร, บรอบๆเนี่ยใครใช้ประโยชน์อาคารไม่ได้เลยต้องมาดูแลพระองค์ท่าน ซึ่งก็แก่มากแล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรในหลวงรัชการที่9้าทรงตอบว่าก็อยู่เพื่อลูกไงอยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกให้ในหลวงเป็นขวัญเป็นกำลังใจ ให้ลูกเนี่ยได้ทำงานต่อไปภาษาชาวบ้านเขาเรียกเป็นล้มโพล้มไซเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมาสมเดญญ็จย่าเสวยเยอะเลยแล้วอยู่มาได้อีกห้าปีจากวันที่ในหลวงรับสั่์กับสมเดญญ็จย่าจิตใจใช่ไหม อันนี้คือความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างแม่กับลูกอย่างที่เราเข้าใจนี่แหละที่ว่าว e l a t เนชั่นชิพต่ออายุได้ภาษาพระก็เรียกว่าฉันทะฉันทะคือพอใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรวิริยะคือความเพียรความกล้าที่จะรักษาตนเองแม้ไม่อยากรับประทานก็จะต้องรับประทานอาไม่อยากกินยา ก, ก็ต้องกินยาเพื่อ เพื่ออะไรเพื่อใครต้องท่าตัดหลายครั้งเจ็บปวดเจ็บปวดแต่ก็จะต้องอยู่เพื่อใครเพื่ออะไรบางคนเมื่อไม่เมื่อไม่มีเป้าหมายไม่มีชันทัก่าตัดให้เจ็บทำไมตายดีกว่าฉันท่าวิริยะจิตตาที่มังสมันก็มากันเป็นกระบวนทำให้อายุยืน ทีนี้ถ้ามีอยู่เพื่อใครเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่มีความหมายมีความรักอยู่อยากเห็นหน้าหลานอยากรู้ว่าหลานเรียนจบมาหาอัยทนอยู่อายุยู่ในทางศาสนากาละยานามิตรเพื่อนที่รู้ใจเพื่อนที่ดีงามสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งพระอานนท์ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า กาลยานามิตรเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตพรหมจักรชีวิตในศารสนาพระพุทธเจ้าตัดกับพระอานุน์ว่าอย่าพูดอย่างนั้นกาลยานามิตรนะภาษาบาลีว่าสัจละเมยวิถทางอานันท์พรหมจริยังกาลยานามิตรต่าอา น, นุ์กาลยานามิตรคือความเป็นมิตรที่ดีเนี่ยเพื่อนแท้เนี่ย เป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดของพรหมจรรย์คือชีวิตในาศาสนาทำไมจึงรตรัดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัดสั้นๆอย่างนี้แล้วก็จะมีคำอธิบายเป็นภาษาบาลีในรุ่นหลังๆหง่างจากพระเจ้าปีร0อยสอ100 200ปีเขาเรียกอัตกราเราตีความเองไม่ได้จะต้องให้คนรุ่นทันเห็นพระเจ้าอธิบาย เขาเรียกคอมเมภาษาภาษาบาลีภาษาไทยหรืออัาฉริยาภาษาบาลีเนี่ยพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกจังไม่มีการตีความเองตีความเองบางทีมันผิดมันนอกรีดเราจะมีระบบการศึกษาที่จะต้องดูพระไตรปิฎกภาษาบาลีอัจฉริยาดีกามันเป็นแต่ละยุคที่อธิบายกันต่อต่อกันมาอัจฉริยท่านอาธิบายว่ากาลยามิตรเนี่ยคือ ผู้แนะนำผู้เป็นเพื่อนชี้ทางอะไรก็ตามทำไมจึงถือว่าเป็นเนื้อเป็นตัวของศาสนาก็เพราะว่าถ้าปราศจากระบบไกรณมิตรคอยแนะนำคนต่อให้ฉลาดเท่าฉลาดก็ไม่สามารถตัดสรุ้เองได้ท่านยกตัวอย่างพระสารีบุตรพระโมกขลาดฉลาดแสนฉลาดแต่ก็ไม่สามารถนัมากบรรลุธรรมเองได้ ตอเมื่อได้ฟังคําเทศนาสั่งสอนของพระเจ้าจึงบรรลุเป็นพระหลานและพระสาวกเหล่านั้นในรุ่นต่ อ, ตอมาเนี่ยก็เป็นไกเรมิด ต, ต่อต่อมาจนถึงปัจจุบันลองครูบาอาจารย์ที่รู้ธรรมะไม่เทศไปสอนศาสนากจ็จบจะปฏิบัติกรรมฐานไม่มีพระวิปัสนาจารย์ น, นําเนี่ยเราจะปฏิบัติยังไง มันจึงเป็นกระดูกสลังของการสืบต่ออายุพระศาสนาอันนั้นคือความสำคัญต่อการทำรงรักษาพระศาสนาในชีวิตของคนเราทั่วไปเราก็นึกถึงคนอันเป็นที่รักกระเลดมิตรดังพุทธภาสิทธวะปิยันจากอนนาปานำหีเมื่อมีข้าวน้ำบริบูรณ์เรานึกถึงคนอันเป็นที่รัก ครมาร่วมดื่มมาร่วมรับประทานเงินทองเราหามาทำไมเพราะเราต้องการสร้างความสุขส่งกัปส่งลูกเรียนสร้างความสุขแก่คนในครอบครัวแก่ยากแก่ทั้งหมดเลยเนกาสีและพระเตสุขขังกินคนเดียวไม่มีความสุขนี่คือไม่ว่าจะ งานวิจัยไม่ว่าที่ไล่มาไล่า ย, ยาวมาเนี่ยทำไมคนถึงมีอายุยืนมันเป็นความสัมพันธ์มันเป็นระบบกระเนมิตเป็นความรักเป็นความเครื่องเอ่อห่วงหาอาทรดูแลกันในทางจิตใจด้วยไม่ใช่ในทางกายอย่างเดียวจึงอายุยืนทีนี้เมื่ออายุยืนแล้วเนี่ยทุกมากขึ้นหรือ ทุกทุกมากหรือสุขมากมีงานวิจัยเรานในที่นี้เนี่ยวันหนึ่งก็จะต้องไปถึงจุดนั้นผู้สูงวัยอายุ60กเกษียณและเมื่อเรายังไม่ถึงวาระผู้สูงวัยเราก็นึกว่าแก่แล้วมันไม่ค่อยดีเลยนะรูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง สังหารมันก็แย่เจ็บป่วยมันน่าจะทุกข์เคยเห็นข่าวดาราคนหนึ่งบอกตอนมีชื่อเสียงบอกไม่อยากแก่เลยอายุ30เมื่อไรจะฆ่าตัวตายสมาก็ตามดูไม่เห็นกก่ตายสักทีประกาศทางทีวีเนี่ยแสดงว่ามีทัศนะว่ายิ่งแก่ยิ่งทุกข์ จริงหรือไม่มันมีงานวิจัยระดับโลกแกลับโพสมภา์คนทั่วโลกร4 0ประเทศต้องโพ ร, ระดับโลกเลยแล้วนักวิชาการก็มาวิเคราะห์ผลงานวิจัยนะเอาภาษาอังกฤษมาให้ดูเพื่อให้เห็นว่ามันมีงานวิจัยตรงนั้นถาม ร้อยสี่สิบเก้าประเทศว่าชีวิตคุณเป็นอย่างไรทุกวัยนตะั้งแต่วัยหนุ่มสาวยันวัยแก่เท่าเนี่ยให้ให้คะแนนความสุขเนี่ยสมมติถ้าเต็มก็สิบทุกามากก็ศูนย์หนึ่งถึงสิบเนี่ยชีวิตเป็นอย่างไรผลปรากฏว่าในแปดสิบประเทศเนี่ยนะในแปดสิบกว่าประเทศเนี่ย ผลที่เขาเก็บได้สรุปได้นี่นะเขาบอกว่าคนยิ่งแก่ยิ่งอายุมากยิ่งมีความสุขนั่คือเขาไปถามคนสูงวัยด้วยจนอายุเก่าอ่ะถามเด็กหนุ่มสาวสุขไหมในคะแนนเท่าไหร่สมมติว่าให้10เนี่ยสมมติว่าอยู่แค่นี้ห้าเจ็เนี่ยพอยิ่งอายุมากคะแนนยิ่งสูงเขาจึงบอกว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างสูงวัยกับความสุข แล้วถามว่าในไวัยไหนทุกข์ ม, มากที่สุดในชีวิตคนเนี่ยผมว่าถามให้ย้อนหลังไปแนีที่ช่วงหรือให้ตอบมาเนี่ยถามคนยี่สิบสขณนไหนคะแนนแล้วดูเฉลี่ยวัยที่มีความทุกข์คือความสุขมันลดนอ่ะเหลือเหลือตำที่สุดเนี่ยเขาบอกช่วงวัยกลางคนคนวัยกลางคนทั่วโลกเนี่ยเป็นวัยที่มีความทุกข์ ฉเฉลี่ยก็ประมาณอายุห้าสิบพวกวัยทองเนี่ยนะ ท, ทั้งที่อะไรอะไรมันก็พร้อมหมดนะแต่มันเป็นเรื่องจิตใจทุกเขาทำเป็นกราฟอย่างนี้เขาบอกยิ่งแก่ก็ยิ่งมีความสุขสรุปจากแกละโพรสมมติว่าให้คะแนนเต็มสิบเนี่ยนะมันไม่มีถึงเก้าเรามีถึงแปดจุดห้านี่ เจ็ดจนเจ็ดเจ็ดจนแปดเนี่ยอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะสูงมากเลยนะตอนวัยรุ่นเนี่ยนังสายไม่ต้องส่งพ่อแม่ส่งเรียนมัน้งอายุสิบห้าเนี่ยแฮปปี้เหลือเกินอยากจะเรียนไปจบอเที่ยวกับเพื่อนและหลังจากนั้นเนี่ยความสุขมันก็ลดลงมาเรื่อยๆเห็นไหมอายุยี่สิบ มันไม่ยัดกระสุกหรือบรรลุนิติภาวะเดี่ยแต่ความรับผิดชอบมันมาและความสุขเหมือนกับลดลดลดลดลงมาจะถึงห้าสิเนี่ยบัตทอมเลยเขาเรียกว่ u ยูเชฟเป็นตัวยูตอนไวรุสเนี่ยสุงแล้วมันก็ลดลดลดลดลมันก็ขึ้นแต่หางตัว u ข้างขวาเนี่ยมันขึ้นไม่รู้จบมันสูงกว่าตอนที่เป็นวัยรุสนองอันนี้ไม่ใช่คนเดียวนะเขาถามทั่วโลกนะ เพราะฉะนั้นสุขมันจะขึ้นเรื่อ ย, เอยๆเพราะฉะนั้นอายุห0สิบก็ยังไม่ถึงตอนที่สุขวัยรุ่นนะแต่เจดสิบเมื่อไหร่นี่นะฉะลองได้แล้ววงเล็บถ้าอยู่ถึงนอย่ารีบตายก่อนนะเมย์ขาดทุนนะอยู่ไปแล้วจะรู้ว่ามันมีความสุขจริงไม่จริงก็หลอบดูแล้วยิ่งอายุแปดสิบเก้าสิบเนี่ยนะท่านจะเห็นมันจะสุขมาก อันนี้จริงไหมจริงไปไปถามนักนักงานวิจัยระดับโลกเนี่ยแต่มันคำตอบมันเป็นอย่างนั้นเราก็ลงมาวิเคราะห์ดูว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นสิในฐานะที่เราอยู่ในวงการนี้คำตอบนะสิ่งที่เขาวิเคราะห์ก็คือมีอีกงานหนึ่งเขาก็วิเคราะห์แต่ทำเอามาเทียบให้ดู สิ่งที่เขาวิเคราะห์ก็คืออย่างนี้อันแรกเนี่ยนะสุขภาพมันก็ไม่ดีอะไรมันก็ไม่อานวยแต่แต่คนสูงวัยเนี่ยมันรู้จักลิมิตข้อจำกัดทั้งสุขภาพทั้งอะไรต่างๆของตัวเองโรบน้อยลงความคาดหวังน้อยลงเมื่อโรคน้อยลงคาดหวังน้อยลงเนี่ย มันจะรู้จักพอเพียงนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะเอาแค่นี้ก็สุขคนแก่คนสูงวัยเนี่ยมันสุขง่ายแต่ทุกยากไอ้ทุกยากคือมันจะป่วยกระสอบกระแซมันอยู่มาอย่างนี้หยิบสิบยี่สิบปีแล้วไอ้ปวดหลังเนี่ยต้องไม่ใส่ใจแต่อะไรที่จะให้ความสุขเนี่ย เห็นความน่ารักของเด็กเห็นต้นไม้เห็นลำธารแค่นี้เขาสุขใจแล้วงานสงการมีลูกหลานมาทางข้าวอยู่ที่บ้าน น, นะขอข้าวของไม่แพงหรอกไม่ต้องไปพัตตะการที่ไหนแค่นี้ก็มีความสุขพอๆกับหนุ่มสาวที่ได้ไปพักร้อนที่ฮาวายแพงเนี่ย ไปทั่วโลกไปดูปละวานคือคนหนุ่มสามันมีคาดหวังมันมีแอดเวนเจอร์เขาบอกการผจญภัยมันจึงแพงมันจึงหนักมันจึงเหนื่อยต้องอย่างนี้ถึงจะสุขแต่เมื่อชีวิตมันผ่านไวมาม า, มากๆเนี่ยมันจะรู้แล้วไอความฝันต่างๆนี่ มันไม่ใช่ละมันจะเริ่มรู้จักว่าแค่ไหนมันมันเหมาะแค่ไหนมันมีความสุขกว่าจะรู้ตัวนี่มันจะต้องผ่านไวต่างๆแล้วทำไมคนไวกลางคนนี่ความรับผิดชอบความคาดหวังอยากจะได้ยศดได้ตาแหน่งได้ต่างๆมันถึงจะสุกเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ในช่วงที่ตกลงไปเยอะเลย แต่พอหลังจากนั้นไม่ไปหวังแล้วเนี่ยยิ่งกเกษียณเนี่ยไม่ต้องไปคิดถ้าไปแข่งขันกับใครมันสูงได้เล็กน้อ ย, อยแม้ขณะเจ็บป่วยทางกายเพราะทำใจยอมรับได้แล้วทำไมเราจะต้องรอให้ถึงวัยนั้นค่อยรู้จักมีความสุขในชีวิตนี่คือสูงวัยเขามีธรรมะแล้วทำไมไม่เรียนรู้จากธรรมะของผู้ที่อามน้าร้อนมาก่อน แล้วมาทำให้เรามีความสุขวันนี้เดี๋ยวนี้นี่คือประเด็นทำไมต้องรอไปนเจนถึงช่วงนั้นมันมีงานวิจัยอยีก ง, งานหนึ่งก็คือสถาบันผู้สูงวัยของอเมริกาทำวิจัยไว้ตั้งแต่ปี 2,516 คน 5,000 คนนะ แต่ที่เขาเริ่มปีนั้นไม่ได้มาเขาทำปีเดียวเขาตามดูอีกเป็น 10-10 ปีเนี่ยคือจุดดีของของประเทศที่มีสตังเนี่ยเขามีทุนมีคนไม่ใช่เราไม่อยากทำแต่เราไม่มีไม่มีทุนไม่มีคนมากเพียงพอรพอเขาตามดูความสุขของคนคนที่ตอบว่า 5,000 คนเนี่ยในปี2 0 1 6ว่า คือเขาถามคนเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนนะอาจจะเป็นหมื่นหลายหมื่นแล้วคนไหนที่บอกว่าให้ให้คะแนนความสุขเนี่ยหนึ่งถึงสิบเนี่ยอยู่ในระดับสูงเนี่ยเขาจะเลือกไว้ห้าพันคนแล้วตามดูคนห้าพันคนเนี่ยว่าจะสุขไปกี่ปีจะสุขไปกี่ปีปีนี้มีความสุขปีหน้าสุขไหมปีหน้าสุขดูไปเป็นสิบปี ชีวิตมันมีขึ้นมีลงนะฮะเอคนที่บอกว่าปีนี้มีความสุขเนี่ยปีหน้าอาจจะหัวทิ่มเกิด <c oughs> อุบัติเหตุทางรถยนต์คนที่รักตายจากไปยาหรือนอกใจมันมีด้วยกันทั้งนั้นแหละแล้วแต่เราจะเจอปัญหาชีวิตอะไรแต่การที่เขาไปสัมภาษณ์ไปตามวิจัยเนี่ยพบว่า ใน 5,000 คนคนไหนหรือพวกใดก็ตามที่มีความสุขได้ตลอดเวลาต่อปีไหนก็มีความสุขเนี่ยเป็นใครบ้างพบ ว, ว่าพวกที่ตอบว่าตัวเองมีความสุขอยู่เรื่อยเนี่ยเป็น 10, 10ปีเนี่ยไม่ใช่เขาไม่มีปัญหานะเขาก็มีปัญหาในชีวิตเหมือนคนอื่นนั่นแหละ แต่เขายังมีความสุขอยู่ได้นี่คือประเด็นเขาก็ับป่วยเขาก็มีปัญหาในที่ทำงานมีทุกข์ทั้งหลายมีความสุขอยู่10ปีเนี่ยต่อเนื่อง ก, กันมาจนถึงปี26เราเรียกว่าความสุขที่ยั่งยืนถามว่าความสุขที่ยั่งยืนมาจากไหนไม่ได้มาจากภายนอกไม่ได้มาจากเงินเดือนบางทีก็จนลงแต่เขาก็สุข บางทีเขาเจ็บป่วยเขาก็สุขโดนด่าก็มีความสุขมันมีความสุขในทุกสถานการณ์เนี่ยิปีเนี่ยเขาก็สรุปว่าที่มีความสุขอยู่ได้เนี่ยเพราะธรรมะในใจคนที่มีธรรมะในใจเนี่ยจะเผชิญกับสถานการณ์อย่างมีความสุข และสรุปมาสีข้อชีวิตมันมีขึ้นมีลงเนะสุขและทุกข์มีอยู่คู่กับโลกจะย้ายโยกแห่งหนตา บ, บนไหนจะสุขบ้างทุกบ้างช่างเป็นไรจะทำใจให้เศร้าไม่เข้ากาันมันเป็นคตินี่คือธรรมะ สุขบ้านทุกบ้านชาติเป็นรายไรจะจ ะ, จะทําใจให้เศร้าไม่เข้ากันพาสิอุทานธรรมท่านว่าอย่างนี้แล้วคนที่ทําใจไนดะ้อย่างนี้มีความสุขตลอด10ปีถามว่าทําใจอย่างที่ว่านี้คือทําอย่างไรเขาบอกว่ามีอยู่4ข้อต้องมีธรรมะคุณลักษณะ4ประการอยู่ในใจจึงจะมีความสุขต่อเนื่องไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร 1. ใช้ภาษาอังกฤเขาบอกว่าออปติมิซึ์มมองโลกเชิงบวกที่เราบอกว่าคิดแง่บวกมองโลกแง่ดีไม่ท่านลอคิดถ้าคนมีมองโลกแง่ดีเนี่ยมันต่อให้มันเจอปัญหาอะไรมันก็จะมีความหวังตลอดเขาเลยมีพุิคุ้มกันวันนี้มันแย่เนี่ยวพรุ่งนี้มันดีกว่ามันจะมีความหวังมีศรัทธาภาษาพระเขาเรียกว่ามีศรัทธา ถ้าท่านยังมีศรัทธาต่อเพื่อนต่อผู้พรอ้อมต่อสังคมต่อชีวิตต่ออะไรกันแล้วแต่ศรัทธาในศาส น, นาชีวิตมันจะต้องดีขึ้นมันมีความหวังเพราะฉะนั้นเขาจ ะ, ะเผชิญสถานการณ์ได้เขาเรียกว่าออ t ติมิซึมข้อที่สองเซลล์เอสติ esteem, ความภูมิใจในตัวเองท่านจะได้เงินน้อยเงินมากมันไม่สำคัญแต่ว่า ถ้าทำงานได้เงินมากแต่ไม่มีความภาคภูมิใจไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีกับได้เงินน้อยแต่ภาคภูมิใจภูมิใจในสิ่งที่ตัวได้ทำได้มีได้เป็นตรงเซลฟ์เอสเตมเนี่ยสำคัญทำไมคนที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ย มันจึงทุกข์เพราะต้องหลบเจ้านี้ทั้งๆ ท, ที่มีเงินเยอะเ น, นีไปสอบได้แต่โกงเข้ามาเนี่ยคนก็รู้เนี่ยโกงเขาสอบมันไม่มีศักดิ์ศรีมันไม่มีความผูกภาคภูมิใจมันก็ทำให้ไม่มีความสุข ทำไมเวลาที่ขึ้นข้าราชการผู้ใหญ่ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเหมือนโดนประจานเนี่ยทั้งครอบทัวเนะี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่เงินเหลือเยอะนะแต่มันแทบจะเอาหน้ามุดดินเนี่ยเขาไม่มีความสุขเซลฟ์เติ esteem, ความภาคภูมิใจอยู่ที่ความประพฤต ที่งดงานคือมีซีลข้อ3ามเอ็กโทรเวร์เป็นคนที่เปิดเผยเปิดตัวเองสู่สังคมเอ็กโทรเวรช่นไหมถึงมีมนุษยสัมพันธ์ซึ่งไปตรงกับงานวิจัยของฮาวเวิร์ดที่ว่า Relationship อะเ่เมื่อเราเปิดตัวเปิดใจรับน้ำใจจากคนอื่นเราให้น้ำใจกับคนอื่นมันจะมี เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันตอนน้ำท่วมใหญ่ปี54เนี่ยอยู่บนในบ้านที่มีน้ำท่วมเป็นเดือน2เดือนที่มหาจุฬาที่วันน้อยน้ำท่วม2เมตรเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆคนจากอายุทยามาอยู่500คนที่ขอฉันดิ닝ฮอลล์ทั้งกินอยู่หลับนอน อยู่ตอนนั้นตอนที่มาเนี่ยน้ำยังตามไม่ยังไม่มาทันมาอยู่ได้สองวันน้าตามมาถึงสังเกตดูที่พักพิงผู้ประสบอทุทกภัยในยุคนั้นเนี่ยถ้าตั้งอยู่ตรงไหนแล้วน้ำมาเนี่ยเขาจะ อ, อพยพหนีหมดไม่มีใครอยู่หรอกเพราะมันไม่รู้จะส่งสเสบียงยังไงเวลาน้ำท่วมตัดน้ำตัดไฟนะ ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเรามีศูนย์ผู้ะยพต้องหนีหมดเลยในฐานะอธิการบดีก็ถามคนเหล่านั้นว่าจะหนีกันไหมเ ข, เขาก็บอกว่าหนีมาจากตัวเมืองอายุทยาแล้วมาที่นี่แล้วจะให้หนีไปไหนอีกถ้าพระขุนเจ้าให้ไปก็จะไปสมาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ โยมคอยดูนะถ้าพระขิวยามหนีเมื่อไรตามเลยนะถ้าพระยังอยู่อยู่เอ้าแล้วจะเอาที่ไหนมาเลี้ยพวกเราล่ะตมาก็บอกว่าตอนที่ญาติโยมปกติส่งใส่บาทพระตอนนี้โยมเดือดร้อนอาตมาจะใส่บาทโยมเดี๋ยวจะไปบอกพวกที่ไม่มีน้าไม่ท่วมนะอยู่ที่จังหวัดอื่นเนี่ยให้มาช่วยกัน สมาก็ออกทีวีบอกไปตามสารถามหาจุฬาล่งของมาช่วยกันแล้วหาอาสาสมัครได้รองอธิการบดีท่านหนึ่งเป็นพารูปหนึ่งเป็นหัวหน้าดูแลก3เดือนจากวัดประยุนที่เชิงสะพานพุทธไปที่มหาจุฬาที่วังน้อยปกติใช้เวลาชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งส3าวันอมาจะนั่งรถไปแล้วก็เปลี่ยนรถระหว่างทางจากรถปกติไปรถบรรทุก แล้วก็เรือใช้เวลาห้าชั่วโมงเพื่อไปดูแลคนที่อยู่ในที่พักผิงไปกลับสิบชั่วโมงไปอยู่เขาได้สองชั่วโมงแล้วก็มาเทศมาบอกให้คนไปช่วยอยู่กันมาจนน้ำลดเราทำอาหารเลี้ยงคนห้าร้อยแล้วก็เอาอาหารกล่องไปแจกรอบรอบที่เขาไม่ยอมทิ้งบ้านอีกห้าร้อยวันละหนึ่งพัน คนมุสลิมมาอยู่กับเราสองสาเดือนในในที่พักเนี่ยสิคนทําไมจึงบอกว่าเป็นมุสลิมจึงรู้ว่าเป็นคนเดนเขาบอกเองเพราะทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยพระไม่ให้โยมอยู่เฉยๆนะนำทาวันสวดบนเช้าสวดบนเย็นสวดบนทุกวันเทศสอนด้วยมุสลิมเขาเลยต้องเพิ่มตัวเขาไม่เขาไม่อาจร่วมได้ เขาอยู่แถวนั้นแหละมีสุราอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยกว่าเขาจะเปิดตัวเขาดูท่าทีแล้วก่อนพอเห็นว่าเป็นมิตรเขาประกาศตัวแล้วเขาก็ได้รับเกียรติด้วยความอบอุ่นใจในฐานะเพื่อนบา้านกันจบโครงการแล้วถามคนแก่คนเฒ่าเป็นยังไงอยู่ที่นี่โอ้โหดีทุกคนรู้จักกันหมดเลยที่สำคัญได้ส่วนมน์ทุกวัน ดูแลจิตใจเขาด้วยการที่เปิดตัวเปิดเผยมีมนุษยสัมพันธ์นี่แหละทำให้มีความสุขสู้วิกฤตได้เพราะเรามีน้ำใจเอือเอ้อกับเอื้ออาทรน้ำใจเอือ้ออาทรเขาเรียกความเสียสละจากฮะคนไทยไม่ทิ้งกันเพราะพอมีคนมามีน้ำใจให้เรามีความสุขข้อสี่ มีเซนเซอร์เพอร์ซนาลคอนโทรลคุ้มสถานการณ์อยู่ได้เขาเรียกว่าในสถานการณ์ที่มันมีปัญหาที่เรามาเผชิญเนี่ยถ้าเราคิดว่าจัดการไม่ได้เนี่ยนะเราไม่เป็นนายของสถานการณ์ไม่เป็นนางตัวเองเราจะมีความทุกข์ถ้าท่านท่านเคยสงสัย คนติดคุกทำไมทุก ท, ทั้งทั้งที่มีกินมีที่อยู่ปลอดภัยด้วยคําตอบคือข้อสี่ไม่มีโดนสั่งให้ทำงานยังก็ะติดคุกอย่างเงี้ยไม่มีสุดเลือะแต่งานหนักยิ่งกว่านั้นเราก็ชอบถ้าเราเป็นคนเลือกเห็นไหมถ้าเราเลือกเราเต็มใจเนี่ยไม่ว่างานมันจะหนักมันจะแย่แค่ไหนเราก็มีความสุขภูมิใจ แต่ถ้ามันถูกสถานการณ์บีบบังคับให้เราเลือกไม่ได้นั่นแหละทุกเจ็บป่วยทําไมคนทั่วไปถ้าเจ็บป่วยบอกยังมียังรักษาหายเนี่ยแสดงว่าเอาอยู่ใช่ไหมต่อให้อาการหนักขน า, าดไหนเนี่ยไม่ตายเราห่างหัวใจตั้งเยอะเนี่ยมันสู้นะแต่ถ้าหากว่าทําไมเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยนะพูดตรงตรงเนี่ย คนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยดีไม่ดีนะตอนเข้าไปตรวจที่ยังเดินได้นะ่ะขากลับกี่หิ้วปีกเลยหิ้วปีกออกมามีพระรูปหนึ่งเป็นพระผูเ้เป็นเจ้าคณะอำเภอตอนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ปวดท้องมานานก็ไปตรวจก็ไปอย่างธรรมดาเนี่ยพอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเนะี่ย ระยะสุดท้ายท่านั้นเน่ห้มกลับเลยเ น, น่แล้วต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่ได้ออกหมอบอกกับลูกศิษย์ว่าทำใจนะอยู่ได้หกเดือนประโบอยู่ได้สองเดือนลูกศิษย์ก็ไปตอบว่าหมอหมอไปบอกท่านทำไมว่าเป็นมะเร็งแทนที่ท่านจะอยู่ได้ตามที่หมอบอกเนะ่สองเดือนไปเลยอาจารมารู้เพราะประเทศงานส่งท่านลูกศิษย์ก็ลาไปฝัง แล้วลูกศิษย์ไปตอบว่าหมอทำไมบอกหมอบอกจะไปรู้หรือรู้ว่าเป็นพระจะปลงได้อันนี้พูดแทนพระนะพวกเรานะจะบอกอะไรก็ดูๆกันหน่อยต้องมาพูดเปิดเผยกันเ อ, อไม่ใช่บอกว่า ไ, ไปเลยเหตุ <h ate> ที่เป็นอย่างนั้นเพราะข้อสี่ถ้าเราควบคุมไม่ได้มันจะจบ ทุกตลอดทุกกายและทุกใจแต่ถ้านะถ้าคนคนนั้นไม่ว่าจะเจ็บจะป่วยยังไรก็ตามเนี่ยมีความรู้สึกว่าควบคุมได้แม้กระทั่งความเจ็บปวดควบคุมสถานการณ์ได้คนนั้นไม่ทุกป่วยกระสอบกระเะแต่ใจไม่ได้ป่วยด้วยและถ้า สามารถปล่อยวางได้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อให้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็ทำอะไรจินใจท่านไม่ได้เราเรียกความรู้ขั้นนี้ว่าปัญญาเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาเนี่ยนะคว่าปัญญาไม่ใช่ knowledge นะนมันเป็น wisdom นะ knowledge เขาเรียกสุตตารือความรู้ถ้ามีปัญญาเนี่ย มันดีไม่ดีแม้กระทั่งป่วยกายก็จะทำให้หายได้ในสข้อเนีย้คยคล้ายๆกันนะในงานค้นพบเนีคยคล้ายๆกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นานมาแล้วเรียกว่าสมบัติภายในสัมปทาคือสมบัติมี4อย่างและเป็นตัวทำให้ชีวิต ยืนยาวและมีความสุขไปจนถึงพบหน้าเขาเรียกว่าปาสัมปรายิกาถะประโยชน์ไปถึงพบหน้าสี่อย่างสัมปรายิกาถะประโยชน์ไปถึงพบหน้าเนี่ยมันคือรัพ์ภายในรัพ์ภายนอกมันตายไปพบหน้าไม่ได้เพราะตายแล้วกระจบแต่สิ่งที่เป็นสมบัติภายในไปถึงปรโลกจัตหน้าท่าเรียกว่าสัมปรายิกาถะมี4ี่อย่าง คือสัมปทาสี่ศรัทธาสัมปทามีความเชื่อมีความศรัทธามีความหวังเทียบข้อสองสีละสัมปทามีความประพฤติ ท, ที่ดีงามสามจาระสัมปทามีความเสียสละและสีปัญญาสัมปทามีปัญญาเทียบกับที่งานวิจัยที่พูดมานี่ ศรัทธาคือมองแง่ดีแต่ว่าศรัทธามันมากกว่านั้นนะแต่ว่าออปติมิซึมก็เป็นความหมายหนึ่งของศรัทธา e v e Faith ความภาคภูมิใจมาจากความประพฤติที่ดีงามมีศีลมนุษย์ยันธ์เกิดจากการที่เราเปิดใจมีความเสียสละมีน้ำใจให้คนอื่น และการที่เราควบคุมสถานการณ์ได้มาจากปัญญาศรัทธาศีลจากะปัญญาเป็นสมบัติภายในที่ทำให้เราอยู่ได้มีความสุขไม่ขึ้นขึ้นลงลงไม่ว่าสถานาการณ์จะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยไม่ว่าจะยากดีมีจนเป็นอย่างไรตัวศรัทธาก่อนคือความหวัง หวังว่าจะรักษาหายหวังว่าจะอยู่เพื่ออะไรเชื่อมั่นในการและกันอะไรเงี้เกินเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมา่รหมายหวังไวเ้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจเมื่อมีความตั้งใจมีความหวังมีฉันทะที่พูดถึงสญญาําเร็จยากก็คืออันนี้อยู่เพื่ออะไร เราลําบากลําบนทํางานยุคทวันนี้บางคนเนี่ยอดมื้อกินมื้อเพื่อลูกแล้วถ้าลูกเกเรติดยานี่แหละหัวใจสลายไงส่งลูกมาเรียนนึกว่าจะได้ดิบได้ดีลำบากพ่อแม่ลำบากบางอยู่ๆลูกมาติดยามาันมาโดดตึกตายอย่างเงี้ยนึกถึงบ้างไหมว่าเราไม่ได้ตายคนเดียวนะถ้าจะตายเนี่ยมันทําลายความหวังศรัทธาของพ่อแม่ของลูกของคู่คลองของอะไรกันแล้วแต่ เรื่องของศรัทธาความหวังเนี่ยังหมายถึงการมองโลกในแง่ดีอย่างที่ฝรั่งเขาพูดเนี่ยเขาเรียกออปติมิซึมถ้าใครได้ไปที่จังหวัดอุดรธานีไปกราบหลวงปู่ดีเนาะเขาทำรูปปัน้นหลวงปู่ไว้ที่มณฑลริมโบดวัดมัชิมาวานเป็นวัดเจ้าหน้าจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน หลวงปู่องคนี้เนี่ยอดีตเคยเป็นเจ้าหน้าจังหวัดอุดรธานีชอบพูดว่าดีเนาะในชีวิตไม่เคยโกรธใครเขาด่าเขาว่าเขามาบอกว่าหลวงพ่อเขาบอกว่าหลวงพ่อเป็นเจ้าหน้าจังหวัดไม่ไเลือเลืองเลยเขาด่าท่านะท่านก็บอกด่าก็ดีเนาะเราจะได้ปรับปรุงตัวเองหลวงพ่อ สามีอีฉันตายแล้วผู้หญิงคนหนึ่งร้องให้มาหลวงพ่อหลุดปากตายก็ดีเนาะคนกำลังเสียใจก็เลยด่าหลวงพ่อให้มันตายดีเนาะได้งไงมันแช่งสามีหลวงพ่อนี่น่าจะบ้าแล้วบ้าตอนนีเนาะดีเนาะะหมดจนคนเรียกหลวงพ่อดีเนาะวันหนึ่งในหลวงราชการที่เก้าจะไปทอดกระถินที่วัด หลวงพ่อชายยกก็มาถามว่าหลวงพ่อในหลวงท่านไปไหนท่านจะถามนู่นถามนี่หลวงพ่อจะตอบว่ายังไงอย่าปไปตอบว่าดีเนาะนะเป็นพร ะ, พระเจ้าแผ่นดินเน่ยเอาแล้วจะให้พูดยังไงให้พูดว่าขอถวายพระพรมหาบพินจำยากอายุเขามากแล้วภาษากลางไม่ถนัดในหลวงสเสด็จมา ถ า, ถามนู่นถามนี่หลวงพ่อตอบว่าไงดีเนาะหลวงดีเนาะหลวงในหลวงก็แปรผันไถ่ทำไมพระชอบพูดดีเนาะชาวบ้านก็กราบถุนว่าท่านมีเมตตามองแง่ดีไม่เคยดา่าไม่เคยว่าใครดีเนาะตลอดต่อมาไม่นาะนหลวงพ่อได้เลื่อสนส ศ, าศาัมภาระจากชั้นราษขึ้นเป็นชั้นเทพได้ราชยเทียนรนามใหม่ว่าพระเทพวิสุธทธาจารย์ สาธุอุทานถำเมื่วาทีมีอกเดียวในประเทศไทยได้ซ้อยดีสาธุหมดหลวงพ่อดีเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครบ่นใครว่าเราหลวงพี่บ่นดีเนาะสาธุหลวงพี่ให้พอนถ้าผู้ใหญ่บอกอบรมเราก็สาธุไปด้วยงั้นตัดกันเดือนเธอสาธุ สุขภาพจิตดีมองโลกแง่ดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณคนที่มีความสุขเขามองโลกแง่ดีมองโลกด้านร้ายกลายกลับ ใจรับแต่เรื่องเคืองขุนเหนื่อยนายเลิกร้างทางบุญชีพวุ่นวายแท้แน่เอ่ยผู้ที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลสงฆ์ท่านพาออบอกว่าได้ทาบุญตลอดเวลาทําทำแล้วมีบุญตลอดลามีความสุข ง, งานจะเหนื่อยก็ไม่เป็นไรโอทีมากๆกก็ไม่เป็นไรได้บุญเห็นไหม มันอยู่ที่เรามอมอมโลกมาถึงเรื่องของศีลบ้างเราเราทำงานในชีวิตเนี่ยนะมีเงินใช่ไหมมีเกียรตเป็นคราวาเนี่ยเราเรียกว่ามีอันธิสุขสุขจากการมีทรัพย์มีหน้ามีตามียศมีตำแหน่งข้อสอง อันนี้ก็สุขที่ได้มาเรียนจบมาทำงานมีตำแหน่งอันนี้ถ้าเราไม่ได้เราก็ทุกความสุขของชาว บ, บ้านข้อที่2มีเงินมีทองมีอะไรมามันต้องใช้ให้ความสุขแก่ตนเองแก่คนอื่นสร้างความสัมพันธ์ r e เ a ชั o n s h i มีข้าวมีน้ำนึกถึงคนเป็นที่รักที่ว่ายอยู่ข้อสอโคลคสุขโคลคก็คือบริโภค ใช้สอยรับประทานมีทุกร่วมทุกมีสุขร่วมเซมอันนี้คือข้อสองข้อสามสุขจากความเป็นไทยที่ว่ามีเซฟเอ่อมีเซฟเอสติไม่เป็นหนี้เป็นสินต่อให้เรามีกินมีใช้แต่มันเป็นหนี้เป็นสินมันก็สุขไม่หนกและสุดท้ายอาณวัชสุขสุขจากการงานที่สุจริตไม่มีโทษ ทำงานซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขชาติมีสี่อย่างและบอกว่าในบรรดาสีอย่างเนี่ยข้อที่สี่ดีที่สุดข้อที่สดีที่สุดทำงานอย่างไม่มีโทษไม่ซื้อไม่เบียนเบีย น, ยนตนไม่เบียนเบียนคนอื่นไม่โกงบ้านโกงเมืองไม่ทําอะไรก็ตา่างทำงานโดยสุจริตนี่แหละ เป็นโจรต้องหนีตำรวจเป็นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามท่านมันไม่สุขเพราะไม่รู้ว่าเมื่ อ, อไรเขาจะจับได้เมื่อไรมันจะเปิดโปงเมื่อไรจะมีปัญหาใครจะไปนเนื่องว่านาฬิการเรือนเดียวมันจะมีปัญหาไม่ได้บอกนะว่าสุจริตไม่สุจริตแค่เรื่องเล็กๆแค่เนี้ยถ้าเราบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องมีอะไรให้ทุกข์ใจ นี่คือศีลท่านเมื่อมีศีลเราก็มีความสุขสุจริตนี่คือข้อที่สองอยู่เรือนพังยังดีไม่มีทุกข์ดีกว่าคุกไหลยเท่าไม่เศร้าหมองจนยังดีมีธรรค้ำประคองดีกว่าปองทุจริตผิดศีลทำ นี่คืออนาวัจจสุขจากการมีศีลมีธรรมข้อที่3คือความเสียสละทำไมให้ความสุขครั้งหนึ่งจะมานั่งหลายน่าจะสักง20กว่าปีแล้วจะมานั่งรถจากวัด น, นั่งนั่งรถจากวัดประยูนสะพานพุทไปวัดมหาธาตุนั่งแท็กซี่เรียกแท็กซี่ตอนนั้นเขาบอกอยังไม่มีมิเตอร์นะหลายหลายสิบปี ตกลงค่าโดยสารกันห้าสิบบาทจามาก็นนั่งข้างหน้าใกล้คนขับจะได้คุยกับเขาไปรถเมือ์ขึ้นสะพานคุ้นแล้วก็ลงไปปากของตลาดจะไปสนามหลูนคนขับเขาก็ถามมาตามาว่าบวชมานานหรื อ, อยังท่านก็บอกเขาว่านานแล้วถามหน่อยเธอท่านบวชพระนี่มีความสุขดีหรือ แต่มาก็บอกก็เรื่อยๆเลยถามเขามากขับแท็กซี่มานานหรือยังนานแล้วครับ20สบปีแล้วครับถามหน่อยถเถอะทำแท็กซี่แล้วมีความสุขดีหรือทำเซอร์เวย์เหมือนกันแต่แค่แท็กซี่คนเดียวไม่ถึงกับแกแลโพเลย เขาตอบว่าไงนะแทนที่จะตบเรื่อยๆเหมือนเราพระเต่าไงมีความสูงมากครับท่านผมขับแท็กซี่แล้วดับทุกได้โอดีกว่าบวชพระอีกเน่ก <c oughs> ็เลยถามว่าขับแท็กซี่อย่างเดียวเหรอเคยทํางานอื่นหรือเปล่าเคยครับผมเคยขับรถที่กระทรวงกระทรวงหนึ่งแต่อยู่ไม่ได้ท่าน ลาออกเอ้างานมันคงแล้วออกทำไมไม่ไม่ชอบมันเล่นพักเล่นพวกท่านอย่าไปเทศนะว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของคนมันอยู่ที่คนของใครผมทนไม่ได้ผมออกมาขับไปเลยไปขับรถเป็นลูกจ้างช่วงคราวที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เขาบอกเชื่อด้วยแถวสามยยกนั่นยู่ไม่ได้ท่านทำไมที่นายกเล่นพวกมันกันเลยคนละแบบท่านปัญหาคนละอย่างปัญหาอะไรละ่ะผมถามท่านดีกว่าแท็กซี่ย้อนถามคนเรายิ่งเรียนมากเรียนมากเนี่ยมีความสุขมากกว่าคนไม่เรียนหนังสือใช่หรือเปล่านี่ปัญหาแท็กซี่นะ เรียนมากมีความสุขมากกว่าคนไม่เรียนหนังสือหรือเปล่าตมาบอกไม่แน่จริงท่านเขาว่าบางคนนะยิ่งเรียนมากยิ่งทุกข์มากผมสังเกต น, นะท่านนะพวกด็อกเตอร์พวกครูบาอาจารย์ตัวทุกข์เลยท่านทุกคนเดียวไม่พอนะทำให้นิสิตนักศึกษาทุกไปด้วย ผมเลยไปบอกให้เขาสอนใหม่ให้สอนให้เด็กมีความสุขเขาไม่เชื่อผมผมเลยลาออกมาขับแท็กซี่เลยครับแล้วคุณไปบอกเขาว่ายังไงเขาก็ย้อนถามตะาหมท่านรู้ไหมอักษรพยัญชนะไทยมีกี่ตัวตมาบอกสี่สิบสี่แล้วท่านรู้ไหมไอ้สี่สิบสี่ตัวเนี่ยตัวไหนดีตัวไหนชั่วมุนเลยนะ ไม่รู้นั่นที่ท่านครูไม่สอนลูกศิร็จว่าตัวไหน ด, ดีตัวไหนชั่วในมหาวิทยาลัยเนี่ยเด็กมันถึงได้ทุกกันถ้ารู้ว่าตัวไหนดีตัวไหนชั่วไม่ทุกท่านอาตมาก็ถามแล้วอะไรมันตัวดีตัวชั่วล่ะเขาบอกท่านตัวชั่วมีสามตัวดีมีสาม ตัวชั่วสามตัวคือรอกอลอและตัวดีน่ดีสามตัวคือพอหอเฉอก็เลยถามเขาแล้วรอกอละรอทำไมมันชั่วเขาบอกท่านเป็นพระน่าจะรู้ดีกว่าผมนะทำไมก็โลกโกรธหลงไงท่านมันชั่วหรือเปล่าโอ้ชั่วมันเป็นอกคสุรบุลลากเงาของความชั่ว แล้วทำไมไม่รู้ท่ะนก็คุณเล่นย่อกย่างนี้ใครจะไปรู้ลระแล้วพอชอเป็นอะไรอะ่ะถามเขาดีจริงหรือเปล่าบอกจริงท่านพอพานคืออะไรเขาบอกว่าท่านผมขับแท็กซี่เลยนะเพื่อนมันบ่นว่ารายได้น้อยและรายได้น้อยค่าเช่าเพลงทุกหรืองเกิดแต่ผมไม่ทุกผมใช้พอพานอะไรรู้จักพอสิท่าน ถ้าเราพอเราไม่ทุกเลือกไรได้แล้วหอหีบอ่ะเพื่อนผมเวลาสมัยโน้ไม่มีบิเตอร์พอผู้โดยสารเรียกขึ้นมาบอกว่าจะไปไหนไปนี่ไม่บอกราคาไปร้อยบาทพู้โดยสารต่อสามสิบาทไปไหมโอ้เพื่อนผมยุ่งเลยนะมาต่อเยอะอย่างนี้ไม่เอาไรลงเลยแต่ผมถ้าเจอผู้โดยสารแบบนี้ผมไม่ทะเลาะกับเขาครับ ผมใช้ขอหยิมอะไรอ่ะรู้จักให้ครับผมก็ลดให้เขาบ้างเขากใ็ให้ผมบ้างมันก็เ้อยทีทเทยอาศัยกันมันก็มีความสุขใช่ไหมท่านโอนจริงเนาะแล้วชอช้างคืออะไรถางเขาตอนตอนนั้นเนี่ยรถติดไฟแดงอยู่ที่สารหลักเมืองสนามหลวงมันจะเลี้ยวซ้ายก็ไปท่าพระจานทร์ไปวัดมหาธาตุ ไฟเขียวขึ้นและแกยังไม่ยอมไปก็อยู่คันแรกเลยแกโบตเทศสอนพระอยู่ไอ้รถคันข้างหลังมันก็กดแตรด่าไปไปเป็นแกสะดุ้งเลยนะท่านไฟเขียวเพิ่งขึ้นมันกดแตร์ไล่ผมลไม่รู้จะรีบไปตายที่ไหนนี่เธอเพื่อนผมเจอเนะต้องกดแตรกลับขับมองหน้ากันแซงกันไปเดี๋ยวมีเรื่องครับแต่ผมไม่มีปัญหาครับเจอแบบนี้ผมใช้ชอช้างครับอะไรละ่ะช่างเขาเถื่ครับ ผมก็ขับของผมไปเรื่อยๆพอไปถึงวัดมหาธ า, าตุอาตมาให้แบงค์ยี่สิบเป็นสามใบแล้วก็บอกเอาไปหมดเนี่ยเ้าบอกผมจำได้นะท่านเมื่อกี้ตกลงก่อนขึ้นเนี่ยห้ า, ห า, าสินนบ ท, นะทำไมท่านให้เกินมาตั้ง0บาทสมัยนู้น1ิบาทก็มีค่าเนี่ยทำไมท่านให้เกินมาสิบบาทก็บอกเขาว่าห้าสิบนี่ค่าแท็กซี่ 1ิ บ, บาทนี่กันเทศโยมเทศดีแล้วเกินเขามองหน้าธรรมาแลวเขาตอบว่าไงไม่เอาหรอกครับผมรู้จักพอพอพานครับคืนมาสิบบาทอนะแล้วก็ขับรถไปแต่เมื่อเก็ชื่นมองแปลกๆเนาะเขามีธรรมะประจําใจโดยไม่ต้องท่องเลยนะแต่มามานั่งคิดรู้จักพอรู้จักให้รู้จักช่างเถิดเนี่ยมันคืออะไรเขาไม่รู้สัม บ, บรีหรอก รู้จักพอคือสันโดษพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ทําสันโดษเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงนะไม่ใช่พอเพียงเป็นสันโดษอย่างเดียวคำว่าพอเพียงมาจาก3ขับพอดีพอเหมาะและก็พอใจอัตมาวิเคราะห์นะพอดีคือมัชิมาปฏิปทาทางสายกลางอย่าเอาใจสุกใจอย่างเดียวต้องสุกใจด้วยนี่คือในเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงเนี่ยรัชกาลที่เ้าเนี่ย พอดีทางสายกลางพอเหมาะคือมันตันยุตารู้จักประมาณที่ในหลวมสอนว่าใหา้ให้ดูขาตัวเองให้ยืนอยู่บนขาตัวเองเนะี่ยอย่าไปกู้เขามากมันไม่ใช่ว่าเกินตัวใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมข้อ3พอใจก็คือความสุขสุขสีอย่างที่ว่ามานี่แหละมันจะเรียกว่าพอเพียง แต่ที่ว่ารู้จักพอตรงนี้เนี่ยสันโดษเนี่ยมันก็คือความสุขใจนั่นแหละแท็กซี่แกมีสันโดษพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้รู้จักให้คือทานหรือจารคให้สิ่งของเราเรียกว่าทานรู้จักปล่อยวางจารค์นี่หมายถึงสละกิเลสจารค์มีสองความหมายนะอาวิสจารค์ให้สิ่งของเรียงประทาน ให้สละกิเลสไม่เก็บกดใครด่าก็ไม่ต้องไปจดจำเนี่ยปล่อยวางเนี่ยเขาเรียกจากทางคนนี้แท็กซี่คนนี้แกมีธรรมะครบสาข้อและใช้อันตโนมัติไม่ต้องท่อให้เงินเขาเกินไปสิบบาทเขารู้จักพอเขาคืนมาโดยอัตโนมัติเลยคืนมาคือการให้คือฐาน โดกดกดเรด่าคือใช้อะไรช่างเถิดคือจากรัดสละกิเลสจักใจคนมันมีความสุขเนี่ยเพราะมันมีธรรมะในชีวิตประจำวันและเอามาใช้ได้จริงๆบอกกับตัวเองอัตนาจโจทยัตาหนังจงจงเตือนตนให้มีธรรมะด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครมาสอนเลยส ถ, ถานการณ์นี้เจออย่างนี้เราจะต้องสอนตัวเองว่าอย่างไรบอกตัวเองว่าอย่างไร เมื่อไรจะต้องรู้จักพอเมื่อไรจะรู้จักให้เมื่อไรจะรู้จักช่างเถิดการให้การาบริจาคจากคะเนี่ยเป็นข้อที่สเมื่อเราให้เราก็มีมิตรททมาโนปิโยโธติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักอยากเป็นที่รักชีวิตไม่โล n e l y ไม่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายเนี่ยมีน้ําใจให้เขาบ้างให้ท่านท่านจะให้ ตอบสนองนกท่านท่านจากปองนอบไหวรักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนคือผู้ทรชนคนไม่ดีไม่รู้จักให้ใครก็ไม่ได้การให้ตอบไม่รู้จักรักใครก็ไปเลยรักตอบมันชีวิตมันก็โร ล, ลี่อะะไม่อายุยืนอีกข้อสุดท้ายเรื่องปัญญา ปัญญาคืออะไรคนมักจะนึกว่าปัญญาคือความรู้ไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วได้ปัญญาไม่ใช่ดูขั้นตอนของปัญญาเนี่ยมันอยู่สูงสุดเนี่ยมันสูงกว่าความรู้ความรู้ที่ท่านฟังนาฏมนี้ไม่ใช่ปัญญานะจดได้บันทึกได้ หรือความรู้ที่ปฏิบัติงานได้นี่ไม่ใช่ปัญญาภาษาบาลีเ้าเรียกสุตตะภาษาอังกฤษคือ knowledge คือความรู้คนที่เรียนเก่งจำข้อมูลได้แม่นเราเรียกว่าผู้หูสูรผู้คงแก่เรียนไม่ได้เรียกว่ามีปัญญามากแต่ว่าเป็นผู้หูสูตร คนมีปัญญามากคืออย่างไรเรามาดูขั้นตอนนะอย่างเด็กเห็นดอกไม้นี่นี่คือผัสสะตากระทบรูปนี่เขาก็แต่เรียกอาจจะเรียกชื่อได้ไหมนะนี่ก็คือผัสสะแต่เด็กก็ไม่รู้ว่าเขาจัดดอกไม้กันอย่างไรขายกันที่ไหนไปทําที่ไหนเพราะไม่มีอินฟอร์มีชั่นข้อมูลแต่ละชิ้นสีเหลืองสีแดงมันเป็นสัญญาเข า, เ, าเขาเป็นผัสสะ ต่อเมื่อเราจำได้ว่าไปซื้อที่ไหนเอามาทำอะไรเป็นข้อมูลเป็นอินฟอร์เมชันเป็นสัญญาเราสามารถเอามาจัดมาทำมาใช้ประโยชน์เอาไปหลังอย่างนี้ไปไว้ที่ไหนต่อไปรีไซเคิลหรือทำอะไรแล้วต่อไปจัดได้เขาเรียกมี Knowledge มีสุตรตักมีความรู้แต่ไม่ใช่ปัญญา ปัญญาจะรู้มากกว่าที่เห็นเข้าใจมากกว่าที่ฟังทำไมต้องมีดอกไม้ทำไมตรงนู้นก็ต้องมีดอกไม้ดอกไม้บูชาพระสงฆ์ลถาถวายดอกไม้บูชาพระสงฆ์จุดทูบบูชาพระพุทธเจ้าสามดอกพุทธคุณสามปัญญาคุณวิสุทธิคุณมหากรณาธิคุณ แล้วก็จุดเทียนบูชาพระธรรมธรรมะกับวินัยคนที่มีปัญญาไม่ใช่รู้ข้อมูลอย่างที่เล่าเนะั้นอันนี้เป็นสุตะเป็น knowledge แต่คนมีปัญญาเนี่ยมันเห็นสัญลักษณ์นี้เนี่ยมันโยงไปถึงอะไรมันโยงไปถึงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้มาจากต่างฐานะมาหม จีวรเหมือนดอกไม้หลากสีบริสุทธ์เหมือนดอกไม้มาล้อยด้วยพวงมาลัยเราเรียกสังคะมันมากเพราะฉะนั้นสังคะคุณเนี่ยมันจึงไม่ใช่รู้เพียงอินฟอร์ม i ชันเราต้องคิดตั้งอย่างรู้ให้ให้เห็นถ้าอย่างนั้น เ อ, เอาพูดแค่แตก ต, ต, ต่างระหว่างความรู้ความรู้คืออะไรพจนานุกรมฉบับราชบริยสถานนะคือสิ่งที่เราสั่งสมมาได้ฟังได้อ่านได้เขียนแล้วก็เกิดทักษะเอาไปปฏิบัติได้อย่างท่านเรียนแพทย์ที่บาลเอาไปปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ information อินโฟเรชันในเรื่องข่าวสารอย่างเดียวมันเป็นอินโฟเรชันให้เกิดการปฏิบัติเอาไปทําได้เป็นทักษะนี่ก็มาจากความรู้ภาษาอังกฤษอันนี้มาจากพจนานุกรมฉบับราช บ, าชบัิยสถานในยยาวหน่อย แต่ภาษาอังกฤษง่ายๆสั้นๆอะไรที่เป็นความรู้มันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร information ได้ได้เยินได้ฟังมาได้อ่านมาแต่เราได้ยินได้ฟังแล้วมันไม่ได้อยู่อยู่แค่นั้นมันเป็นนั่นมันเป็นความจำไม่ใช่ความรู้ความรู้เราต้องย่อยต้องวิเคราะห์ต้องเอาไปปฏิบัติได้ต้องไปพูดได้มันบวกประสบการณ์ของเราที่มีอยู่เดิมบวกความคิด อย่างท่านนั่งฟังธารมาเนี่ยท่านไม่ได้จําเฉพาะเที่ยธรมาพูดท่านบวกกับพื้น background knowledge คือความรู้ที่ท่านมีในวิชาชีพของท่านเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้เพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้เนี่ยมันจึงไปดูงานที่ไหนก็ตามมันไม่เสียเวลานั่งฟังที่ไหนมันก็ไม่เสียเวลามันเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไปดูงานแต่ประเทศก็มาใช้ในประเทศไทยฟังธรรมะก็ไปยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนี่คือ knowledge แต่ถ้าฟังแค่ไหนรู้แค่นั้นเอาไปใช้ก็ไม่ได้พูดต่อก็ไม่ได้มันเป็นแค่สัญญาคือความจบและแล้วก็ reproduce คือพูดตามเขาอะถ้าท่านไม่มี knowledge ไม่มีความรู้ไปเป็นวิทยากรท่านก็ท่องไปพูดแปลหนังสือมาก็เปิดดิกแปลอ่านไม่รู้เรื่องมันเกิดปัญหาในการศึกษาไทยตรงนี้ ความรู้มันไม่แตกไม่งอกไม่งั้นอุตสาห์ไหวครูเอาเข้าตอกไปให้อะไรต่างเนี่ยก็เสียเข้าตอกเอาดอกเข็มเข้าตอกดอกเข็มอะใบเข็มนัดกดอกเข็มเข็มคือให้ปัญญามันแหลมแทงทะลุคําสอนของอาจารย์ได้แล้วก็แตก เ, เข้าตอกคือแตกออกเป็นเข้าตอกปาโก้ว่ามันอยู่แค่นั้นแหละเรียนแล้วลืมแล้วนี่คือปัญหาในการศึกษา ของสังคมเราเราจึงแข่งขันกับเขายากไปสอบอะไรนะแข่งขันในระดับมัธยมอะ่ะพิซ่าอนะ่ะวิทยคณิตอังกฤษในที่ได้ที่โหลในอาเซียนน่ะทั้งๆ ท, ที่กระทรวงเราเนี่ยให้งบได้งบประมาณมากที่สุดในกระทรวงศึกษาเนี่ยนะได้งบประมาณมากที่สุดเรียนแพงนี่คือ เราเข้าไม่ถึง knowledge เราเข้าไม่ถึงสุตตะเราเข้าแค่ถึงสัญญาคือเน้นความจำแต่แล้วแล้วตัวความรู้อย่างนี้มันเป็นปัญญาไหมไม่ใช่ปัญญาคืออะไรท่านสังเกตนะคนไทยเนี่ยใช้ความรู้คือปัญญามันก็ยิ่งไปใหญ่ความรู้อย่างเข้าไม่ถึงเพือจะเอาปัญญาอีก เราพูดว่าอะไรความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอันนั้นใช่คือความรู้ที่เอาตัวไม่รอดเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ความบางทีเนี่ ย, ยมันใช่ความรู้แต่มันขาดปัญญาความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดถ้ามีปัญญาจบด็อกเตอร์จบอะไรต่างมีความรู้แต่เอาตัวรอดเพราะมีวิสธรรมีปัญญาภาษาอังกฤษต่างกันนะวิสธรรคือปัญญา Knowledge คือความรู้แต่ภาษาไทยเราใช้ทั้งสองอย่างทั้งความรู้ทั้งปัญญาเป็น l e d g จหมดแต่จริงมันต่างกันราช บ, บัณฑิตยสถานพจนานุก ร, รมยังนิยามต่างกันเลยตัวปัญญาตัววิสเดมเนี่ยเขาแปลว่าไม่ใช่ความรู้มันเป็นความรอบรู้มันมีคำ ว, ว่ารอบความรู้ทั่วความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด เรียนมาเป็นความรู้ปัญญามันสูงกว่าเรียนเป็นความฉลาดที่เกิดจากการเรียนหรือคิดถ้าถ้าเทียบภาษาอังกฤษอาจจะง่ายกว่าด้วยอัตมาแปลว่าปัญญาเนี่ยคือความรู้รอบกับความรู้ลึกไม่ใช่ความรู้เฉยๆรู้รอบบวกรู้ลึกเรียกว่าปัญญาภาษาอังกฤษมีสองคำ คือความสามารถในการยังเห็นอินเนอร์คุณลิตี้คุณเริ่นสมบัติด้านลึกและเห็นความสัมพันธ์เรเลชชั่นชิพเป็น Inside, อินไซต์มองด้านไหนมองด้านในมันจะเห็นลึกกว่าปกติคือยังไงเคยได้ยินประโยคนี้ัหมรู้หน้าไม่รู้ใจ คนเรียนจบมาเท่ากันเวลาไปทางานคนหนึ่งประสบความสำเร็จบางคนไม่ประสบในตาแหน่งผู้บริหารเพราะใช้คนไม่เป็นใช้คนผิดอ่านคนไม่ออกบอกคนไม่ได้ใช้คนไม่เป็นเห็นคนไม่ชัดไปไว้ใจคนที่ไม่น่าไว้ใจเรียกว่าโดนหลอกอะความรู้ท่มหัวตัวไม่รอดอะคนที่อาจจะไม่ได้เรียนมากแต่มันอ่านคนออกอินฟอร์เมชันไม่มีหรอก ไม่ว่าจะประวัติไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ว่ามันรู้ไอคนนี้ไว้ใจไม่ได้เรียกว่ารู้รู้ลึกนี่คือความรู้ระดับปัญญาทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนเป็นบรมศาสตรสดาสอนได้ดีกว่าคนอื่นเพราะพระพุทธเจ้ารู้จิตรู้วาแะรู้ลึกว่าคนนี้จะต้องสอนอย่างไรความรู้ลึกเป็นปัญญา เห็นหน้าฉากแล้วอย่างไปถึงหลังฉากเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาในทางการเมืองเนี่ยเห็นการเดินขบวนเขาจะรู้เลยว่ามันมาจากใครควรจะต้องเรียกใครไปปรับทัศนคติใช่ไหมเขามีปัญญาในทางการเมืองเนี่ยไอ้เราก็เรียนจบการเมืองมาแต่ไม่หือหไปสมัครสสอบมากับสอบตกแต่คนที่ท่ำวอรที่เขามีปัญญาเนี่ยเขามองอีกแบบหนึ่ง เขาเรียกอ่านขาดลึกอันที่2เห็นความสัมพันธ์เมื่อกี้ที่จริงนะัคือความสัมพันธ์ว่าเห็นเหตุคาว่าความสัมพันธ์คือเห็นเหตุแล้วคาดว่าผลอะไรจะตามมาเห็นผลแล้วโยงว่าเหตุมาจากไหนนี่คือปัญญา <Yeah. S 1> เพราะว่าในชีวิตจริงเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราพูดวันนี้ที่ทำวันนี้ผลอะไรจะตามมาแต่คนมีปัญญามันจะคาดการได้เกือบแม่นยา ขเขาเรียกตีบทแตกอสถานาการณ์ไี่ถูกทําไมบางคนเนี่ยเขาให้เซ็นแล้วไม่เซ็นบางคนไปเซ็นส่วนใหญ่เซ็นตามที่เจ้านายสั่งแล้วพอพ้นยุครัฐบาลนั้นตรงนั้นเข้าคุกเป็นแผงทงั้งๆที่ไม่เซ็นเขาก็ไม่ว่าก็รอดมาไม่กี่คนมันมีปัญญาอะไรบางอย่างที่บอกเขา ทำไมพวกเวลาเกิดสึนามิเลยนะชาวเลที่เป็นไอ้นั่งเรือพวกมอแกนเนี่ยมันวิ่งขึ้นที่สูงก่อนคลื่นจะมาคนพื้นราดตายมัวแต่ถ่ายรูปคลื่นไอ้ไอ้คลื่นที่มันถอยอะพวกพวกชาวเลวิ่งขึ้นยอดเขาไปแล้วเขาสั่งสมอะไรกันมามันไม่ใช่อินฟอร์เมชเชนเฉย ฉะนั้นในทางปัญญาเนี่ยในทางศาสนามันมีสองขั้รู้รอดคือเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งเขาเรียบรู้ปฏิจจสมุปบาทรู้ลึกคือรู้ไตรลักษณ์อันนิจังทุกขังอันาตาแพทย์ที่รักษาคนไข้ในบางทีเขาดูอาการผิวเผินข้างนอกเนี่ยนะมันบอกได้ว่าเป็นโรคอะไร ไม่ต้องเปิดตำหนักรักษามานานๆเข้าเนี่ยมันรู้มีหมอหมอคนไทยไปอยู่อเมริกาแทนที่จะไปเปิดไปอยู่โรงพยาบาลไปเปิดอู่ซ่อมรถรักษารถแค่รถขับเข้ามานี่แกรู้ว่ามันเสียตรงไหนอะ่ะได้ยินเสียงนี่รู้เลยนี่ปัญญาท่าน มันรู้มากกว่าที่เห็นเข้าใจมากกว่าที่ฟังถ้าถ้ามันรู้แค่ไหนไอ้ฟังแค่ไหนรู้แค่นั้นทุกคนรู้หมดสิว่ารถเสียตรงไหนมันไม่ใช่มันมีปัญญามมากกว่ามันรู้ลึกไปถึงเบื้องหลังรู้ความเชื่อมโยงเหมือนเราจะวินิจฉัยโรคอะทำไมบางแห่งวินิจฉัยผิดบางแห่งวินิจฉัยถูกอาจจะเป็นเพราะเครื่องมือหรือบางทีเครื่องมือก็ไม่ได้เกี่ยวมันอยู่ที่ approach คือเรามอง ในมุมไหนรู้รอบคือเชื่อมโยงเป็นระบบรู้ลึกคือไปถึงเบื้องหลังของปรากฏการณ์ปัญญาในวิทยาศาสตร์ก็มีท่านใครก็ตามที่เห็นผลไม้หล่นลงมามันก็เห็นกับทุกคนแต่ทำไมไอแซคนิวตันเห็นแอปเปิลหล่นลงมาจึงรู้เรื่องกฎแรงโน้มถ่วงนี่คือปัญญาในทางวิทยาศาสตร์ใครก็เห็นไมโครโฟนด้วยกันทางนั้น ถามว่าไมโครโฟนทำมาจากอะไรจากเหล็กจากพลาสติกจากอะไรต่างแล้วหลังอย่างนั้นมันจา ก, จากอะไรอีกมาจากธาตุอะไรมันลงไปจนในที่สุดไปถึงจุดที่เล็กที่สุดชาวบ้านนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าอะตอมอะตอมเป็นภาษากรีกแปลว่าแบ่งแยกไม่ได้ชาวโลกนี่ถือว่าทุกสิ่งสรรพสิ่งในโลกนี้เนี่ยตั้งแต่กรีกมาจนเมื่อหึงร้ปีที่แล้วแบ่งไม่ได้เป็นอะตอม ทุกวันนี้เราจะเก็บคำนี้อยู่อะตอมแปลว่าแบ่งแยกไม่ได้แต่เมื่อร้อยปีมาแล้วเราแบ่งอะตอมได้เป็นนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนเป็นประจุไฟฟ้าแต่ก็ยังเรียกอะตอมอยู่เดี๋ยวนี้แบ่งออกไปเป็นควอนตัมอิสอนุภาคเล็กที่สุดเป็นพลังงานหมดแต่ก็ยังเก็บคำว่าอะตอมเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าคนในสมัยโบราณก็ยังเข้าใจผิด เหมือนคำว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกซันไรซ์ซันเซตเดี๋ยวนี้มันมีที่ไหนล่ะโลกมันหมุนแต่เราก็ยังเก็บคำไว้อตตอมเรายังเก็บไว้เป็นอนุสร์แต่จริงๆปัจจุบันมันคือนอนอตตอมมันไม่มีอะไรที่แบ่งไม่ได้รู้ไหมในภาษาบาลีคำว่าอตตอมคืออะไรคืออัตตาอาตามันนอนอตตอมคืออะไรคืออนัตตา 2,000 กว่าปีเนี่ยศาสนาพราหมณ์บอกว่ามีอัตตอมมีอัตตามีอัตตะมันพระพุทธเจ้าบอกสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีแก่นสารแบ่งแยกได้หมดมันเป็นอนัตตาวิทยาศาสตร์ก็ขัดกับพุทธศาสนามาเป็นพ0 0 0 2 0 0 0ปีจนกระทั่งเมื่อร0อยปีที่แหลวค่อยมายืนยันอนัตตาคาว่าอนัตตาคือภายในก็ไม่มีแก่นสารวิญญาณอมตะ เป็นโซลเป็นอาตมันวิญญาณมันเป็นกระแสอาศัยกันและการเกิดขึ้นภายนอกก็เป็นอนัตตาคำว่าสัพเพ昙มาคือสัพพสิ่งแม้แต่ภายนอกมันก็อาศัยกันและกันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Non Substantiality มันไม่มีซับสแตนไม่มีแก่นสารเนี่ยคืออนัตตาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแปลอนัตตาเป็นภาษาอังกฤษมันจะต้องมี2ความหมาย1อนัตตาภายในเราเรียกว่า non-self none อ o n ก้ อันที่สองคือ non s u b s t a n t i a l i t y สัรพสิ่งไม่มีแก่นมันเป็นอนัตตามันเป็น n o รู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ไตรลักษณ์อันนี้จังทุกทางอนัตตาเพราะรู้อย่างนี้มันรู้แล้วละรู้แล้ววางเพราะมันไม่มีอะไรได้ดังใจให้เรายึดมั่นถือมั่นความรู้ลึกอย่างนี้ที่ชีวิตมันสอนคนผู้สูงวัย มันมีอะไรถูกใจบ้างตั้งแต่เกินมาจนกระทั่งสูงไหวมันเปลี่ยนแปลงตลอดไอ้สิ่งที่คาดหวังสิ่งที่เรารักนึกว่าเราจะอยู่กับเขาตลอดไปเราจะอยูเ่เขาจะอยู่กับเราตลอดไปก็เปลี่ยนแปลงไม่เขาจากเราเราก็จากเขามันเริ่มรู้จักคำว่าปล่อยวางลดละอุปาทานเพราะฉะนั้นชีวิตมันสอนถ้าหากว่าใช้ปัญญาเนี่ย แต่ไม่ใช่ทุกคนได้นะบางคนก็สูงไว้เปล่ามันไม่ได้คิดไม่ได้ทดไม่ได้ตรวจสอบไม่เอาอินฟอร์เมชันมาวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในชีวิตความยืดมั่นถือมั่นก็ยังเหมือนเดิมยังโรบยังยังโกรธยังหลงลมากมายเส้นโลหิตในสมองแตกตายแต่เราทำงานกับแพทย์ในฐานะแพทย์พยาบาลเนี่ยมันจะต้องสอนเราเห็นเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้เอามาสอนตัวเองดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัว คำอูราหน้าหัวหน้าหัวเต้นยัวเหมือนฝันเน่เราดูคนอื่นเราดูคนไข้มาแต่ไม่ได้ธรรมะไงเพราะอินฟอร์เมชันคือโนเลตมันจบแค่นั้นแต่ถ้าหากว่าเราเห็นชีวิตที่มันเหมือนละครเนี่ยมันจะได้ความรู้ลึกรู้รอบการปล่อยวางและมีความสุขในสิ่งที่เรามีเราเป็นมันไม่คาดหวังอะไรจนเกินไปรู้จักเผื่อใจไว้กับความผิดหวังบ้าง ไม่เป็นโรคเครียดไม่มีสตรสไม่เป็นโรคประสาทไม่ใช่ว่าเป็นจิตแพทย์แล้วเป็นโรคจิตแลวเองเห็นปัญหาคนอื่นเนี่ยเขามีความทุกข์เราจะต้องเกิดกรุณาสงสารแล้วตัวเราอย่าเป็นเองคนฉลาดคือเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองแต่คนฉลาดกว่านั้นเรียนรู้จากความผิดพลาดปัญหาของคนอื่นทำไมเราจะต้องมีปัญหาก่อนค่อยมาแก้ไขปรับปรุง ใครที่ทําเหมือนเหมือนเรามันเจอปัญหาแล้วเราอย่าทําอ น, นิจ้จังทุกขังอันั้ตามันเป็นบทเรียนของชีวิตที่ใครก็เห็นแต่ใครจะรู้ใครจะเอามาันมาสอนตัวเองอ่ะอันนี้จังทุกขังอนั้นตาในในในงานเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตมันเป็นแต่คนสูงวัยที่ที่บอกว่าทําไมมันมีความสุขขึ้นเนี่ยชีวิตมันสอนเขาให้เกิดปัญญาอันนี้จังคือไม่เที่ยงทุกขังคือ ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คําแปลว่าทนได้ยากทุบแปลว่ายากขังแปลว่าทนทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไมโครโฟนมันเป็นมันไม่เที่ยงเพราะมันมาจากองค์ประกอบหลายอย่างใช่ไหมมันแตกได้ที่มันแตกได้เพราะมันทนเป็นไมโครโฟนอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นน้ำตาลมันไม่มีแกนสารตัวเราก็เหมือนกันเมื่อมองอย่างนี้แล้วมันจะปล่อยวางมากขึ้นและทําใจมากขึ้นเอาใจใส่คนอื่นมากขึ้น ชีวิตมันไม่ใช่ว่าอะไรๆเราจะเป็นศูนย์กลางของจั ก, กรวาลต้องมาเข้าตัวเองคุณค่าของชีวิตมันอยู่ที่ทําประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นนึกถึงคนอื่นบ้างเขาก็เป็นมนุษย์ให้เรารักษาพยาบาลท่านเป็นพระมีจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดควรจะปฏิบตัติต่อท่านอย่างไรเรามีความสานึกตรงนี้มันก็จะลดอีโก้ลดความอัดตาลดความยึดมั่นถือมั่นเพราะ มันสอนชีวิตมันสอนเมื่อมันสอนแล้วเป็นยังไงคนฉลาดไม่ว่าได้รับสุขหรือทุกข์จะไม่แสดงอาการขึ้นๆลงๆเขาเรียกว่าทำใจได้ในทุกสถานในเรื่องนี้มีประเด็นที่ที่พรเจ้าตรัสสอนนักกุละบีดานยะ คนป่วยที่ว่าดูแลจิตใจนักกุละบิดาเดินย่องแย่งย่องแย่งไปเฝ้าคุณเจ้าภาษาเรบุตรเห็นเข้าก็ถามว่าทําไมช่วงนี้ไม่ค่อยมาวัดบอกว่าป่วยพระคุณเจ้าอายุมากแล้วเดี๋ยวจะไปฟังเทศเพื่อเจ้าหน่อยพอฟังเทศเสร็จเดินปลอกกลับมาภาษาเรบุตรถามว่าไปได้ยาดีอะไรนักกุละบิดาบอกว่าเพราะคุณเจ้าสอนถูกใจเหลือเกินสอนว่ายอย่างไรสอนว่า นักกุละบิดาแม้กายจะป่วยกระสอบกระแสะแต่ใจอย่าได้กระสับกระสายด้วยเลยดูแลใจอย่าให้ป่วยไขย้ป่วยกายแต่อย่าป่วยใจพุทธเจ้าสอนบอกว่าลูกศรมันมี2ดอกนะดอกหนึ่งคนยิงมาครั้งแรกมาเสียบเราเราก็เจ็บแล้วอยากให้เขายิงมาลูกที่สองอีกป่วยกายเหมือนลูกสอนดอกที่1เรายังมาซ้ำเติมว่าทาไมต้องเป็นเราทาไมเราจะต้องทุกข์อย่างนี้ เสียใจหมดหวังอะไรต่างนี่เป็นลูกศรดอกที่สองบอกกับนักุล้าบิดาว่าอย่าให้ลูกศรดอกที่สองมาสําเติมป่วยก็อยู่กับความป่วยของเราที่เราถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนี่ทําไมมันต้องการรีเลชั่นต้องการกําลังใจตรงนี้แหละให้คนมาให้กําลังใจยังทนได้รับได้อยู่ด้วยความหวังแต่ถ้าคนปฏิบัติธรรมเนี่อยู่คนเดียวท่านก็ไม่ให้ลูกศรดอกที่สองมาทิ่มแทง เป็นอย่างนี้ทีนี้ขอพูดเป็นประเด็นสุดท้ายเมื่อวันที่14มีนาคมเดือนที่แล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในประเทศไทยหนังสือพิมพ์ไทยพาดหัวขา่าวว่าปรมาจารย์ด้านฟิสิกส์และนักจั ก, กรวาลวิทยาชื่อดังที่สุดในยุคปัจจุบันเนี่ยเสียชีวิตแล้ววัย76ปีเขาชื่อสตีเฟนฮอว์กิง เป็นชาวอังกฤษเขามีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยเพราะาอัจฉริยภาพในทางปัญญาเขาสูงมากแต่งหนังสือมาเล่มหนึ่งเป็นเบเซลเลอร์ขายดีในวงการวิทยาศาสตร์ถ้าใครมีโอกาสโปรดได้อ่านอาจา์มาอ่านแล้วดีมากๆเลยชื่อ A Brief, A Brief History of Time ประวัติสั้นของการเวลาในเรื่องนี้จะอธิบายทฤษฎีสัมพัทธ์ของไอน์สไตน์ในรีเทลี้เนี่ย ด้วยภาษาที่คนนอกเข้าใจเราเคยอ่านที่สีสัมภาษณ์จนบัตรนี้อาตมาไม่คิดว่าใครรู้เรื่องหรอกถ้าไม่อ่านเล่มนี้ Black โค l นนะีหลุมดำนี่นะไม่มีใครรู้เรื่องเพราะมันดำมันมืดแต่เขาเอามาเขียนให้คนอ่านรู้เรื่องมันจึงเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสเตเฟนฮอกิงนะเป็นนักฟิสิก ไปอ่านดูและเขายังทำรายการทีวีอะไรอะไรเยอะแยะ ห, หมดเ a t ชอ e ์เนเ o อเนเชอร์กราฟิกอ ร, รืออะไรก็ต่าม BBC สัมภาษณ์เขาแต่เชื่อหรือไม่นะว่าคนคนนี้ที่แต่งหนังสือขายดีที่สุดออกรายการทีวีมากที่สุดพูดไม่ได้มือก็ขยับไม่ได้พิการนี่คือประเด็น ความยิ่งใหญ่ของคนคนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องที่เขานําเสนอชาวโลกยิ่งใหญ่ก็คือข้ามพ้นความพิการมาเป็นคนดังที่สุดในโลกของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์เนี่ยเก็บตําแหน่งศาสตราจารย์ด้านไหนครับซึ่งไอแซคนิวตันไอแซคนิวตันเคยเป็นอยู่แล้วหลังจากนั้นไม่ตั้งใครเลยพึ่งมาตั้งคนนี้เป็นคนที่สองในอังกฤษเี่เขายกย่องกันมาก แต่ความพิสดารคือพูดไม่ได้เขียนไม่ได้เดินไม่ได้แต่ไปปาตากรถานี่ระดับโลกให้โรบอทพูดแทนใช้คอมพิวเตอร์พูดแทนแทบเท่ากับกับหุงแก้มและพูดเสียงไม่มีเราฟังไม่รู้เรื่องแต่มันแปลสัญญาณเป็นภาษาได้เวลาแต่งหนังสือที่ว่าเนี่ยพูดให้เลขาจดแล้วก็บันทึกไว้ทำไมเป็นอย่างนั้น ตอนเขาเรียนปริญญาตรีจบกำลังจ ะ, ะกลังเขา เ, ข า, เขาได้เกียรตินิยมนะจบออกฟอร์ดแล้วมาต่อแคมบริดจ์จะทำริทยาเอกเสนอวิทยาลนนัยญี่นเขาหมอค้นพบว่าเขาเป็นโรค เ, เขาเรียกว่ามอเตอร์เนื้อเรียนดิซสระบบประสาทมันเสียเนะี่ยทั้งหมดเลยเส้นประสาทฟอไปทำให้กล้ามเนื้อฝ่อไปหมดเลย แล้วหมอบอกว่าเขาจะตายภายในสองปีจะตายภายในสองปีบอกกับญาติบอกอะไรต่แต่ว่าเพื่อนนักศึกษาที่เรียนวันในกรีกอังกฤษเนี่ยรักกันอยู่พอรู้ว่าจะตายภายในสองปีบอกพ่อขอแต่งงานกับคนคนนี้เขาไม่สบายหนักเขาป่วยหนักพ่อก็ะตือเหมือนเขาจะตายนะตายก็ไม่อะไรเขาแต่งอ่ะเขาก็แต่งงาน ปรากฏว่าการที่ได้กำลังใจจากภรรยาเขาทำญี่ปุ่นเสร็จออกมาแล้วสอนอยู่ที่ตอนนั้นเนี่ยยังพูดประสาทมันไม่ดีก็จริงนั่งรถเข็นแต่เขาพูดได้พูดได้ออกสอนออกทำวิจัยอะไรต่างได้จนได้เป็นศาสตราจารย์เมื่ออายุ30ิบแต่วันหนึ่งที่เขาไปปราจากระถาไปติดนิโมนีมาต้องเจาะคอไม่งั้นตาย พูดไม่ได้ตั้งแต่นั้นพูดไม่เป็นเสียงก็เลยใช้ระบบแท็บเข้าไปที่กระพุ้งแก้มเนี่ยออกมาเป็นภาษาโรบอเนี่ยเหมือนที่เราได้ยินทั่วไปฟังรู้เรื่องตอนที่เขาได้รับการวิเคราะห์ว่าป่วยด้วยโรคระบบประสาทเสียเนี่ยตัวคุณสเตเฟนถามหมอแล้วมันจะกระทบไปถึงสมองผมไหมหมอบอกไม่กระทบ มันเป็นอย่าส่วนอื่นเท่านั้นโอ้ถ้าอย่างนั้นทำให้ได้ผลให้จบจบดับเตอร์แล้วใช้สมองยิ่งประสาทอื่นไม่ใช้สมองยิ่งดีใหญ่เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ป่วยระบบประสาทโปรดดีใจนะสมองยังดีอยู่ถึงพูดไม่ได้นี่เป็นความหวังนะนอนกับพิบตาได้เท่านั้นก็เอาเก็บไว้เสร็จแล้วเป็นไงสิ่งที่ เขาให้สัมภาษณ์น่าสนใจมากเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยอยู่มาถึง76ปีนะมีลูก2หรือ3ค น, นชีวิตเขาน่าสนใจตรงตรงไหนเขาบอกว่าแม้ผมจะป่วยแต่มันไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานเพราะผมเลือดที่จะทำงาน ในสิ่งที่มันสอดท้องกับที่ผมมีผมเป็นผมเหลือแต่สมองเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมโชคดีที่ผมเรียนฟิสิกส์เพราะมันใช้สมองอย่างเดียวจบตรงนี้นะนี่คือคนที่รู้จักทำใจที่มีปัญญาที่รู้จักสันโดษเมื่อมันไม่อนุญาตร่างกายไม่อนุญาตให้วิ่งให้เต้นให้เดินให้แบกให้หามอย่าไปทำงานที่ต้องใช้ความสามารถทางกายก็บังเอิญว่าเรียนมาทางฟิสิกส์แล้ว ใช้สมองสมองเพราไม่กระทบผมก็มีเวลาคอนเทมเพลตคือเมดิเทตคือคิดมากเพราะผมไม่ถนัดเรื่องอื่นเขาก็เลยให้ผมสอนน้อยให้ผมทําวิจัยใช้สมองผมก็มีเวลาคิดเยอะใช้สมองเยอะมันก็เลยงานออกมาอย่างดีเยี่ยมไงใช้ศักยภาพเท่าที่ร่างกายอํานวยอย่างเต็มความสามารถเต็มศักยภาพ แล้วงานนั้นใช้สมองผมก็ใช้สมองสิเพราะฉะนั Pre ้นคนที่พิการทั้งหลายเนี่ยถ้าใช้สมองได้ใช้สมองใช้ประสาทไหนไม่ได้ก็อย่าไปใช้ hmm. เขาจึงบอกว่าฟิสิกส์มันไม่ได้มีอุปสรรคไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเขาเพราะสมองเมื่อวันที่สิบสามที่ผ่านมาในวันสิบสาพฤษภาเนี่ย มาเจอเด็กคนหนึ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยรับปริญญาเป็นโครคคล้ายๆกันพูดสื่อฟังไม่รู้เรื่องประสาท ต, ต่างๆมีปัญหาหมดนั่งรถเข็นพ่อเป็นครูอยู่เพชรบูรณ์ให้เด็กคนนี้เรียนประถมเรียนมัธยมจนจบอ่ะความที่เป็นครูเนี่ยสอนเด็กพิเศษได้จบมัธยมแล้วมาเรียนต่อระดับปริญญาที่มหาจุฬา ที่สาขาที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วมารับปริญญาจากพระสังฆราชเมื่อวันที่สิบามที่ผ่านมานี่พ่อมาช่วยประคองนี่นนคนนี้ชื่อวรานคนาน้องบุมบิม๋มอายุยี่สิบสาปีพ่อเป็นครูดูแลจนทั่งเรียนจบที่พิการทางการพูดการเคลื่อนไหวไม่สามารถเดินได้เรียนจบประถมมัธยมได้แล้วมาเข้ามาหาวิทยาลัยได้ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์สาขามาจุฬาที่รับปริญญาผู้รับปริญญาห้าพันเนี่ยแบ่งเป็นสองวันรับจากะาังคราสเขารับวันแรกต่มาก็เลยไปถามข้อมูลจากเด็กจากผู้ปกครองถึงรู้ด้น้องบุบีเปน็นอย่างนี้เรานึกถึงคนที่พิการแต่มาเคยไปสอนเด็กขูนหนวกที่เสรยสลเสียน า, นานมาแล้ว ้มือปรากฏวิชาที่เด็กที่หลักสูตรใ น, ในประถมมัธยมโดยเฉพาะวิชาศิละปะเนี่ยครูบอกว่าไม่พอให้เด็กเรียนเลยเด็กหูหนวดให้เขาวาดภาพแป๊บเดียวเขาวาดได้หมดไปดูเรื่องปั้นนะนะในบริษัทเรื่องการปั้นของศิลปะ ก, การปั้นเนี่ยแป๊บเดียวปั้นได้หมดเลยเด็กปกติเรียนเป็นเทอมอันนี้เรียนเดือนเดียวจบหมดเพราะเขาไม่ได้ใช้หู เขาใช้ตาอ่านภาษาใบดูทุกอย่างตาเนี่ยเมื่อใช้มากมันจะแหลมคมมากเพราะแหลมคมมากนการเรียนศิละปะแป๊บเดียวเลยยิ่งดีกว่าเด็กทั่วไปแต่มาเห็นข่าวเนี่ยเนี่ยคนตาบอดเนี่ยร้องเพลงที่ในที่ประกอบเพลงบูเพย์สันนิว่าเห็นมีข่าวออกมาตาบอดมีคนเล่นเปียโนกับตาบอดแต่หูเขาพิเศษนะครับ กลายเป็นร้องเพลงได้ไพเราะเล่นดนตรีได้อย่างดีนี่คือการไม่ให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นอุปสรรคและจากคนเหล่านี้เรานึกถึงคนแก่เท่าเมื่อสิ่งไหนมันมันเป็นปัญหาเขาก็ไม่เอามาเป็นใส่ใจไงอย่างฮอคกิ้งเขาก็เหมือนการเขาอยุ่จ็ปีแต่เขามีความสุขเลยเมื่อเมื่อมือมันมือเท้ามันไม่มีมันมีปัญหาตาหูยังดีตาหูยังดี ย, ดยเขามองโลกในแง่ดี หูหนวกก็ยังดีนะยังมีตาให้ดูนะบอดข้างหนึ่งยังดียังเหลืออีกข้างหนึ่งน ะ, ะเห็นไหมเขามีความสุขมีอาหารให้กินแค่นี้ยังดีเลยดีกว่าไม่มีกินนะ่ะทัศนคติแบบศรัทธาในชีวิตในเชิงบวกทําให้สู้ชีวิตมีความหวังและก็มีความสุขแล้วทําไมเราที่แข็งแรงที่ครบอาการสามมันจะมาท้อแท้ชีวิตและไม่มีความสุขละ่ะ ถอดรละหันถอดบทเรียนจากเขาทั้งหลายจากชีวิตโดยไม่ต้องมีใครมาสอนเราทำได้เองเราเรียกว่าปัญญาปัญญามีให้ศึกษาให้เรียนรู้ธรรมะได้มากมายเพราะฉะนั้นสูงวัยใกล้ธรรมะนี่มันไม่ใช่ธรรมะของเราที่จะเอาไปช่วยผู้สูงวัยนะทไปทามาเนะ่เราเนี่เอาตัวให้รอดก่อนเถอะนะว่าทำยังไงมันจะมีความสุขอยู่ได้แล้วก็สามารถที่จะบริหารชีวิตให มีธรรมะตลอดเวลายิ่งทำงานใกล้ชิดกับชีวิตอย่างนี้ต้องมีธรรมะด้วยก็ฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขออำนาน้าทห่คุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญให้เป็นไปโดยเฉพาะในการดูแลพระสงฆ์อาภาษนั้นจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอานยวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคนทุกรูป ประสบความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ให้พันสำเร็จสม โ, มโนรถมุ่งมาตปรารถนาทุกประการตลอดกาลและนานเทิน